เดี๋ยวพันธุ์พิมพ์มันจะม่ดเลยมากเวลาภาวนานี่ยันตกตามามากพอแล้ว น, นมน่งจะทาให้มันเกิดขึ้นมาได้ถ้าเนาส่ยาเวลาเนี่นย้องในเวลหนึ่งจะตัุโทหกธรรมทานที่บอกใช้เป็นเครื่องควบคุมกลับใจถ้าอยู่กาลังไป น, นั้น มนไ่ยนอยู่อยไดี๋ยดี๋ยเดกรกินั่นน้นะรไม่สงบแต่เราสามารถกลักับให้อพอพิจาราพิาทงวันเลยต้องทมันอคิดเรื่องะไรกกิรณเรองมันน่าสงบรามันคิดอย่าดียวคิื่อีมเ่องีนเดี๋ยวมันทำไม่ได้เราะันอึดอัมันเหมือนกับการตเยอกัน ตัวที่อยากจิตพนั่นก็จะแยกเล็ไมไชิันอลิฟาทโธต้องมาดกวัตในนอยากที่ไม่ชลาดอยากเป็นคทโธนะพอไปจตใจเราไม่ดนเกถ้าทางนานไม่เท่าไรไม่กด ก็ยังไม่ okay. ถือว่าภาวนาเป็นการจิตวิญญาณขาวนามีนั่งหลับตานั่นกับสมูกมีแรงใจคงแต่ใจไ่มีก็งเหมือนอย่นันไม่ได้เอาใจไม่ไดคิดไม่เกิทรความคิดไม่เกิดอรเจอไม่เกิดความคิดไดความคิดมีเกิทว่จะพิจารณาการอานิงส์ของรากายอะไร แต่ถ well, right? so so ้าอยู่กับลมแดดลมแรงมันจะมันจะนิ่งดีกว่าถ้าอีู่กับหลายๆอารมณ์ฉันผมคนาักต่อนอนได้เลายต้งมีการเปลี่ยนแต่เฉพาะตัวที่ต้อนีมันจะมันจะรวมรวมรวมเข้าไปถ้ายังทำได้หน้าก็ทำองหาวิธีต่างๆดูว่ากรามานแบบไหนถูกใจหรือเล่าทำได้ไห ตางทีไม่ต้องิดอะไรก็ได้ให้มีจิตอยู่การเคลื่อนไหวให้เราอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายนนรเราอด่เราก็รู้ว่าเรากำลเกลังก้าวท้าขัยกลังก้าวขาว้าย้ายขาข้าขาวให้ได้ไมันอยู่โดยหลักใมนในปัจจุบันอยู่ที่นี่อยู่นี่อยู่อยนี ใจร่างกายมันอยู่แล้วแะแต่ใจมันไม่มด้อยู่ร่างกายใจมันไปครอบชะความมันไปได้ถ้าไปงั้นปฏิบัติจุติจะไม่จะไม่ได้เราเี่ยมน้องมต้องมีความคิดจิตใจได้ถ้าต่อไปเราก็จะได้ควบคุมคัดคิด้ควบควบคุมคัดคิดได้ก็ควบคุมอรมได้ ข้อมูลต่างๆมันเกิดจากกาคิดนันคิดอะไรแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆคิดีก็แต่ะไรนดูคิดไม่ดีก็ทำตัวไม่ดีถ้าเราสังเกตดว่อารมีอารมณม่ดีแล้วว่าหยุดคิดตรงนี้จะทำให้เราดีให้ถึงนันใหทำให้เราดีแต่คิดเรื่องที่ทำให้อารมณ์ดีนี่ไม่เหมือนกับเรื่องที่เราชอบ เรื่องที่เราชอบเนี่ยเองแม่เนี่ยให้เรามีอารมณ์ดีแต่บางครงก็ทำให้เราอเปียได้เมื่อสิ่งที่เราชบมันเนไปื่องเาคิดถึงแตเราเนี่ย้าเราชอบแตงเราคิดเขาราต้อมีอารมณ์ดีแต่เราถ้าเกิดเราทะเลาะอบเขาแล้วเราไปคิดถึงเขายังก็อารมณ์ไม่ดีนะแต่สิ่งที่นั้นสิ่งที่เราคิดดีหมายถึงให้คิดธรรมะที่ตามการความจริง การหมายนี่มันจะไม่ดีเพราะกี่เลนมันจะต่อต้านเช่นรู้จาสารที่เกิดจาการแก่ทางเจ็างตาเป็นธรรมดาเพราะที่นั้นมีใจมันจะที่เลนันจะต่อต้านมันจะไม่ชอบคิดเพราะมอนจะว่ามันจะมันจะเป็นิ่ที่ี่เลนกลัวที่สุก็ควการแก่างสิบางตาเพราะ่ามีการแก่การเจ็ารตายตอนเวลาที่เลนมันทำงานนะฮะเวลาแก่เขจะไปเที่ยวลำบา เวลาเจ็บป่วยแม่ป่วนอนอยออูรงพยาบาลก็คิดเชื่อม่นะเวลาตานทำอะไไม่ได้ไไไดที่เหลมันก็ไม่ข้าแต่ถ้าเราคิดไปเรื่อยๆนกทั่งมันทาให้ใจเราสุบเนี่ยทีนี้เราละ อ, อ่อนเนียมันทำให้ความคิดนีทาให้งับจังความคิดได้ได้การทำงานต้งแก่กต้่งน่ต้งานี่นก็จะทำให้ความโลภความอยากต่างๆมันหายไปเยอะ แล้วก็ทุกทมันจับเป็นความคิดที่ดีนะเพาะคิดในลายมอนสงบพอสงบแล้วมันก็น ม, กคมีความสงบงความเรียนความสุขมต่างกัความคิดในการลกท่ในทางโลกถ้าเราคิดในทางที่ดีนั่นก็เราจะได้เงินมาถูาก้องแล้วก็มีเงินใจถ้าเราคิดในทางที่ไม่ดีทางโลกมันิขึ้นว่าเราจะต้องเสียเงิน คืต้องไป ใ, ใช่นี่ไม่ไปอะไรเนะี่ยแล้ก็จะไไม่ดีใสงมันก็เกิดจากความคิดของแต่คิดที่ให้ดีดีแลคิดก็ให้สงบอันี้ดีจริงเกิดคิดเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาไ ด, าดมันก็จ ะ, ะดีมันจะสงบมันจะระงับหยาดความเสร่ง้างได้มันบถามรู้สึกไม่ดีได้เช่ไรู้สึกจะต้องเสียึงินใจใจใจนี้ทางด้ากเปรับหรืออะไรก็ตา แต่เราคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตามเนยก็ต้องนเงินไปอย่นแล้วเราคิดอย่างนี้เร า, ก, าเก็ดับในความไม่เสถีที่เกิดจความคิดน้าเราจะต้องเสียในเยอางก็ ไ, ได้เพะฉะนั้นถ้าคิดทางธรรมะได้แล้วมันจะดีไปเรื่อยแต่ใหม่มันจะไม่ดีมันจะมีมีการถัดขวงจากที่เดิมทํารื่งองเสพติดที่จะนั่งกันเหมือนกันว่า มันหด ผ, ผูบิดเป็นความแก่ความเจ็บควางตาย around, แล้วมแต่ถ้าเรามีความสมบอยู่บ้างแล้วแล้วเวลาจิตนั้นเกิดความคลด・กกระนองขึ้นมาประเภิเถ็นความแก่ความเสียความตายมันจะดับความคลึกกนงได้ทำให้จิตลับไปสู่จุดของความสงบได้แต่ถ้าเราไม่มีความสงบเราไม่มีจุดดับไปเพราะเทเป็นความแก่ความเจ็บความตายเราต้องไปจุดที่หดผูบั นคดดนจะเพื่อเปลี่ยนเองไปก็เลยยากต่อการปฏิบัติยากต่อการคิดในทางธรรมะไม่มีใครชาบคิดไม่มจังเลยพระนักบุญระพุ่เจ้าสอนให้คิดอยู่ทุอนทุกเวล า, <c oughs> าสาระอรูญสอนให้คิดอยู่ส่วนหายใจเข้าออกต่อมาแล้วก็เราแบ่งเป้นสองใจใจดีมันใจไม่ดีทากินแล้วมันก็จะไม่ม กำลังจิตกำลังใจที่จะไปทามากินหาเงินหาทองมันยังไม่คิดมันถึงไม่เราคิดพอเราไม่คิดล้าก็ยังมีกำลังใจที่อยากจะลากเงินเข้ารวยอยากจะเปเที่ยวที่นี่อยากจะไเที่ยว ท, ที่นเพราะเราเดีมว่า เ, อเยอะๆตั้วัน เ, เราก็ต้องแก่ตมอเส็ต้องตามถ้าเราไม่ลืมล้วก็เทีไปไม่ได้ไปอันเดียวก็ต้องมาเจอตัวนี้ดู คิดทําให้ทําใทำสงบได้แลาใจสงบหายอยาไม่อยากกับการที่จะเที่ยวไม่อยากที่จะอะไทีนี้ก็มีส่งหนึ่็ที่ัฒนาเอ่จิตใจสะสมเรื่มีความสุขถรามาเห็นว่านี่หละ่ความสุขที่แท้จรงก็จะพาสัติของจไม่ใช่แจได้งินได้ได้สุที่ยากไน้ที่ สิ่งนั้นหนึ่งได้ยันได้ความสุขเพื่อขณะที่ได้ไปสัมผัสเทานนเองเราผ่านแล้วผลมันก็หมดไปให้เราในทางอ้างวนาปากเปลี่ยให้เราในทางอยียดปากต้องการวันนี้ได้เงินมาล้างหนึ่งคดีใจเดียวเดียวดี๋ยวพอเข้าไปในธนาคานแล้วก็เล่นแล้วขอยากจะได้เงินต้นใหม่เงินว้านจเหัว เี่ไม่ดีไม่ได้ใช้เที่ยงไรได้อาจจะหาหม่มาหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยได้ร้านหนึ่งนี้ก็เป็นเดิมันจะไม่มีที่สิ้นสุคาสุแบบนั้นมันเกิวาสุขเปตัอนเสิอะไรอางเี้ยแต่ค้ามสุขที่เกิดจความสงของจิตี้ไม่ต้องเติมอะไรคอยรักษาให้มันสมบูรณ์บ มันจะคึกนเราขึ้นมาด้วยอนาจของหากามอเือเอาที่นเกิดแกเจบตายเข้ไเดันได้ไหมเราจะเอาไปทาไมเดี๋ยก็ตายแล้วเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ต้องเรใาที่านี้แล้วมันจะที่ใดได้ขาดเจ็บน่าไ่เรามีความสาต้องไปด้ด้เงื่อน ได้มาเท่าไลร่ได้มาสิบเทา่าร้ายข่ามันก็เหมือนเดิมารก็เหมือนเดิมคือสมมัติเยอะขึ้นแต่ใจไม่ไม่ได้มีเยะแต่ใ จ, ใจกับแย่ลงใทํามีความผูกพันมากขึ้นมีความมีตริกมากขึ้นมีความทุกมากขึ้ น, มมนไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายกนไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเวลามาปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช อ, อย่างเดี ให้คุยอะยแล้วให้พยายามปฏิบัติดพาะขั้นตอนเนี้ยปฏิบัติให้ได้เป็นพยาามควบคุมใจ้ห้พูเรื่องโกงไปพูดโกหกไปทำมาแบบไหนพวกนี้นะพยายามทคนนังจิหลัขดตัวเข้ามาขดตัวเข้ามามากขึ้นนิเล็กสมากขึ้นทาการมันออกไปข้างนอกนล็กง kind of มก็จะวาปสดตงอย่าเย ที่เรื่องนั้นน่ะหรเรื่องนี้มาต่อต่อกรนองนั้นคามเรื่องนั้นมาต่อต่อเรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์กับการคือมีใจมากเลเสียใจมากจะไม่เหมืกับการที่ไม่คิดอะการที่รว่างสงบสง่าอันนี้ที่เราทำการจะให้ไปไปถุนี้ไม่ไปถึงนั้น ไม่ไปทะเลอะให้ชอบกันมก็หาเมื่อการใช้ทุกโทรเป็นตัวเด่นเานั้การรัก็เป็ น, บนแบบทดีวนน่นามันไม่มีอะไรงดหรอกฝรายมัรูเสียงกินแล้วเหมือนเช่นมีงานที่มาม า, มาหลอกมาล่งจากเวลาที่เราอยู่ที่นเืองในบ้า น, นรูเสงกินแล้วมันจะคอยหลอกลอ้ใจหก จะเปิดตาทักดึงไปเปิดอะไรปังที่นี่ไม่มีอะไรดึงไม่มีอะไรปังหรือโน้ตเสียงกาต้นไม้มันก็ไม่ไมันก็ไม่ได้มาหลอกมานบ้างนะหรอมีตัวเดียวคือตัวผีเงินคอยหลอกเ่อราไปขึ้นเงนเงิแเราก็ต้องสติมงกระดูาเนินใจที่อยู่กับตวเราเอง่แหละูดไว้กับตัวเอไว้กับหลงใจเท่าออกิ้งไ้กับอาตรการที่สองขนั่นัง นี่เรากไม่ทราอะไรเลนะทุกท่านพอราสนุกลักนี่มันมะจะรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยมีปุตชมบัตที่แท้จริงแลนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องรักษาไม่่สมบัติใด น, น้รักษาความ ส, ส อ, ออกจากสมาธิแล้วจิจะคึก น, นาต้องใช้ปัญญาข้ามสติสติด้วยปัญญาด้วยใและ ม, ม่อนิจ์เมือาลณนันตเกิดแกเจ็บตายนี่ก็อนิจจ เยอะสักการทางทุกข์วอะไรทั้งหลายมีแต่ความทุกข์ได้อลไมามันก็ดีเดีเดียวถ้าเดียวว่าใจคือความทุกข์ทุกข์ี่เกิดกการต้องดูแรักษาต้องคอยห่วงคอยกังวลทุกข์ที่เกิดจากการสูดหายจน่า้งพากัจกาถ้าเห็นทุกข์อกร่างก็ยังไม่กล้าใส่ซึ่งสปหา เราไม่เห็นเงเหมือนอย่างแรงมากมันไม่รู้ว่ากองไฟแสงสว่างมันเป็นทางน้อยอย่างเงี้ยเราเห็นแสงสว่างโต้หวยเียวมีใจแต่พอบินก็ไปใกล้ๆกองไฟแล้วมันก็ตกความร้อนเท้าตายอเราก็เห็นเชินดิทั้งหมดต่าง่งสิ่ต่างๆังบุกคลต่างๆรถจักรยานสุดอยูอคนเดียวมันหนาวพอมีเพื่อนคุยมีเพื่อนที่ยวเพื่อนเดนการเื่อยเลยอ่ะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนเาเพื่อนต้องจากเราไปยริงเราก็เสียใจหรือถ้าเกิดทะลาะกับเพื่อนก็ก็ทุกข์ใจเหมือนนันเห ม, มไม่ได้เป็นอะไรที่มาทุเสมอไปเราไม่ได้สุขเสมอไปมันติตามเราถ้าทนี้นะักต่อปไปมันก็อยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องมีอะไรก็อยู่แล้นอกจากสิ่งที่จาเป็นเนลวลายี่ต้องใช้ในการประิงชีวิตหรือในการทำหน้าที่ให้เรา แต่ถ <è> ้าไม่ตั้งจะได้ย่งเยอะเลยเวลาทิ้กไเพราะของทอย่างในเรื่อนี้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของฝนตกหยาดอกเนี้ยถ้าเราไม่เปยุ่งกับเขาเราก็ไม่ทุกแต่ถ้าเราไปยุ่งกับเขาเราจะไปจัดการของเรื่องฝนเราไม่อยากให้ฝนตกเพราะฝนตกที่เราเราต้องรับ นี่คือปัญญาหลังจะออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยตั่เฉลี่ยที่จะไปถอยไปขบไปยุ่งคาเรื่องนั้นเร่นจะไปเอาสิ่งนั้นงนี้ไปหาคนนั้นคนนี้ตัดตัดตัดตัดตัดไคนเดียวอยู่กลางองบนี้แบบสมบัติอันนี้เสร็จมันไม่มีที่นไดล้วนี่ล้วมันปล่อยทุกอย่ได้ถ้ายังไม่ได้กลางสงบนมันก็ยัง มันก็ยังยังติดอยู่กับสิ่งต่ตางๆภายนอกยังหยุนได้แต่ถ้าใจสงบาพียงครข้งเดีวมันตัดได้ได้หยุดได้ถ้ายังไม่เห็นคว า, ามสงบในใจแล้วมันก็ยังยังเนแต่ว่ารักพี่สีได้น้อนาจกเปจะได้แต่ยังไม่เห็นเทราะอะไไม่รู้ว่ามันมันดีขนาดไห น, น ที่มีอยู่นี่ยังไงมันถึงารถจะทุกมันก็ยังมีความสุขอยู่เหมืนก็มืนก็ยาเสพติดอยู่อยางนั้นดูว่ามันไม่ดีแต่มันยังเริมไม่ได้ยเขอให้ดูเสพไปได้ด่ียก่อนเพราะถ้าไม่ได้เสีพแล้วมันจะตายเอพราะไม่มีอะไรมาทดแทนอย่างคนช่วยสืบบุญบางีก็ต้องหายอะไรมาทดแทนนะยามอ ม, อมหาบางคนหลังว่าเิ้วมีอะไรทดแท าาการทำลงมืองานทั้งต้อนแต่นรานต้องมีความสงบมาทดแทนถ้าเรามีคารสงแล้วในเือนเราตัดได้ทั้ทงโลกเาัดได้แต่ถ้ายังไม่ได้ความสนงบนี่มันตัดล้ไม่รู้จะเอาอะไรยึดเกาะติดกับอะไรมนก็มีที่เกาะมาภาวนาด้วันสวันเดี่ยมันก็เบื่อแลเนี่ยมันก็ทนไม่ได้ทุรทางบ้านนี้ไป เพราะยิง่ง่งหัแจกสิ่งต่างๆทั้งๆมันอะไรมันดีๆไปหมดเวลาเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยว่ารำคาญเรือแต่พอมันอยู่ว่ า, าทั้งๆมันมองกลับไปสิ่งต่างๆ ท, ที่บ้านมัอที่บ้านนันดีไหมลกลับถ้าไม่ได้ความสงบนะแต่ถ้าได้ความสงบแล้วไม่กลับมาถ้าจาัก็เพลงกับตปธุระัระระ่นแหละทำธุระอะไรนั้นทีนท่ส เวลาก็รีกลับมาปฏิบัติเส็จสิ่งอาจจะต้องทุรนทุรายทุกอย่างให้หมดไปได้แล้วจะไม่กลับไปเลย<ม>อยู่ที่ผ<ม>ู้พากยเสนอเนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัวที่จะเหมือนตัวชี้ขาดในวิถีชีวิตของเราถ้ามาเจอทางเสมอเมื่อไหร่เราก็จะไปทางนั้ได้ตลอดไปทางพางนได้ต ก็ยังไม่เจอนี่ันก็ยังรักพี่พี่นายน้องอยม่านัดก็อยากไปได้ก็มาวัดบ้างแต่ถ้ามันกลับไปหาเงิเหนหาทองก็จะ่ด้ซื้อความสุขเนเงินซื้อความสุขกับสิ่อสองต่างๆมก็จะแบบเยอะแยะสัมผันถ้าเกิดเงินมันต้องยากทางเมื่อไรมันต้องลบากตอนนั้นจะทรามาน ถ้าจรายัเดินทางซ้ายยองไปินทางขวาก็ต้องเขาเรังเลทางนี้ก็ต้องปฏิบัติตให้ได้ให้ได้ให้ได้ผลทั้งหมดก็มไม่ยากแต่มันมาพวกคุณบังคับใจให้ทำได้หรือไม่ทีจริงวันเดียวก็ได้ไม่ให้ไปคิดเร่ อ, อะไรเลย มอยูู่แค่บเดียวครับเวลาบินนะครับอาจารย์มางทีอย่างหลังพอคือเวลาอยู่กับครอบครัวถึงดูลูกน่ารักมีความสุขแต่พอมีความรู้สึกนั้นอยู่แล้วลึกมันทุกทุกว่า วันวันวันหนึ่งมันต้องจ่ายกันนะยิ่งอย่างนี้เรารักเขามากเป็นที่งจ่ายมันก็จะยิ่งทุกข์มากมันเลยตัวเรามรู้สึกเหมือนกับบางทีเหมือนกับอือบงทีผมบอกกันอย่ารักอย่าทักมากจนเต็มเลยนะบางทีบางทีเขาจะรักได้ก็เพราะือนกับว่ามันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกซึ่งมันอย่างแม่แต่ลูกอย่านี้ผมนึกว่าเห็นแล้วผมก็สงสารคือตัวในตัวหนึ่งที่ว่าเราพอที่จะ เข้าใจาในธรรมชาติของมั น, นี้ครัเวกเราพอรู้สึกน่ารักอบอุ่นพยายามถ้าเกิดมันมันหนึ่งกง็ต้องจ่าันจะจ่าันในรปงไปมันต้องจุดทุกไม่ใา่มันจะเป็นอย่างนั้นอยู่ดีมันเกิดจากความปรุงแต่งอะเร เราเราหลงยึกถึงเกิดกิเลสที่พูดให้าังเพราะทุกอย่างแล่แกเสียายแล้วมันจะทำให้การฟองคุยจาบพอเราไม่รู้ว่าเะาจะไปอยู่นตรงจุดไหนแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อนั่นคือจุดที่เราจะอยู่ในเวลาที่ทุกสิ่ทุกอย่างจากรกใจแล้วก็สงบไม่เช่ธรรมดา เพราเราทำอะไรไม่ได้เหมือนฝนตกเนี่ยเราพยายามทำให้มันดีได้แต่เราสิ่งที่เราทำได้คงอนั่เฉยๆเนี่ยนะนั่งวฉยๆเนี้ยมนนหให้ไ ป, ไปเรามกัเร็แเราต้องหาจุดนี้ให้เจจุดที่เราจะอยู่เฉยๆได้ไดเนเมื่อเกิดเหตการณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อจะมีเบิกขามันต้องเป็นเอกาพลม ต้องมังเป็นสมาธิติดเป็นอย่างก่อนมันเป็นอย่างี้มันสัมผัสใาตาามันแ ล, นนลออกเป็นบาจรงเป็นนี้เมื่อถึงเวลาเราก็กลับไปตรงจุดนั้นได้แต่ถ้ า, าไม่เจอจุนี้พอถึงเวลามันก็แหวงปแหวงมาระหวานมีใจไม่เสียใจจะมีใจตอนที่คนตายเป็นเหมือนกันก็หาว่าบ้า ลูกเมตตาเดินขับโวโพเลาะไม่กระทำตำหร่าที่มีปฏิปทากับการสูญเสียเือมไม่ยอมร้องไห้ก็่ลเอาความโพเลาะมาแทนแต่เป็นโพเลาะแบบนี้เนแนงเพราะฉนั้นก็ต้องพิจณาแล้วกยายามอมรับความจริงให้ได้ว่านี่แหละคือสิ่ที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไป และวิธีดีที่สุดก็คือย่มรับควาเมื่อถึงเวราะมีหนักแล้วก็ให้มันเป็นการเรื่ของมันเราก็ไม่ต้องไปตีโคลที่าไม่ต้องไปเสียเพราะมันก็ไม่ไเปลี่ยนแปลงเราไม่มีหน้าที่จะไปยับยังเราจะยับยังกดแขงอี้จกรรนทุกครับงในการเมืองิจกรรจะขึ้นตั้งอยู่แล้วถอดไป ถึงจะว่าเราไม่มีที่เย็นแล้วถึงทำใจไม่ไดถ้าเรามีความสนบใจเราสงบล้เราจะมีที่เย็นมีจุดยึด่ามดยึ้นที่ึเอเวลาเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็ไม่เสียดเพราะเรารู้ว่าทีสิ่งทุกอย่างมันต้องไปหมอนนแม้การ่างกายนอนกตแต่มีสเซนเงอที่ไม่ไปก็คือใจของเร ใจต้องนิ่งจะบอกมันถึงเรื่องาจะไม่วุว่นวาถ้าใจไม่นิ่งหรมอจารย์ไม่ได้ไปกับสิ่งตา่างๆมันก็วุ่นวายตามด้วยนิ่เป็นทุบมากกว่าอย่างอื่ น, นด้วยการเียบปวดทางร่างกายนี้ไม่วุ่นวายเท่ากับการเจ็บปวดทางทจิตใจเพราะนั้นเราต้องนั่งาใจให รักษาใจให้สับให้ได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้ารักษาได้เนาะเราจะมีความมั่นใจร้อยะรเซ็นจะไม่หวั่นไว้กับอะไรทั้งสิ้ทีกิขึ้นต่อไปุณนต้องเกิดแน่อวันนี้คือวัาหนึ่งฟังารือาังาการ ท่านมีเทพท่านมีพระว่าเั้นบางทีปังแค่ภูบาดาลนั้นนะครับจิตมันมันเหมือนอ่อนตัวแล้วบางทีมันเหมือนแต่ว่าจิตมันจะรู้แล้วก็เข้าใจในสภาวะบางติอธิบายนม่ไเพราะนันางทีอ่านหนังสือซึ่งพูดถึงถึงถึงความสงบพถึงการที่เราจะหยุดหยุดความคิดแล้วก็อยู่ตรงนั้นอยู่ปัจจุบันเมื่อวานผมอ่านอ่านหนังสือจริงที่มนมีอลัมน์ของของพระ รู้สึกเป็นเป็นปริยวนในงานพุนนไทยอ่านรู้สึกจิตมันแรกหว่ามันมันเบามันเย็นแล้วมันเหมือนกับอารมณ์มันมันเบาไปหน่อแล้วมันจะมันมันมันจะมันหมืองว่ามันมันจะไม่มีตัวตัวมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับ ลมหายใจเป็นไรซึ่งมันไมบอกไม่ถูกอะไรแบบนี้สภาวะแบบนั้นมันเกิดจากเกิดจากความจุงแต่งที่เกิดจากที่หรื่องที่จะโม่ะคือมันเหมือนเราบางทีฟังอย่างเงี้ยมีข้างบนผฟังหูตาแต่เท็จถึงเรื่องกีเลเราคะตอนนี้ท่านบอกว่าคิดถึงว่าราคาถึงเอามาแล้วท่านเลยว่าตอท่านท่านบอกพิจารณาดูแล้วบอกอ๋อราคาดูดี้หะ ซึ่งมันเป็นตัวที่ทําให้สัมุลนาลติดอยู่กับกองทุก ต, ติดอยู่กับการเมื่อใดก็ตาน้าขณะที่ฟังเนี่ยติดมันเหมือนกับมันเหมือนกับตามท่านไปแล้วก็เหมือนกับ่โอ้มันเหมือนกับว่า เ, เ, เ, เ, เราเราจะรู้แต่จริงมันก็ถึงไม่รู้นะผ่านช่วงขนาดนั้นไปก็แล้วกลับมาเหมือนเดิมอย่างนั้นเหมือ น, องง น, นเป็นเมื่อมันได้สองที่จากการฟทบ ท, ท, ที่เราทาให้จิดสมบขทที่ต้องใช้แต่ตั้งต่ว่ามันในเท้าวอน มีแล้ก็ความจำเป็นหมัอนก็เป็นหนังตัวเครับแต่นี่ไม่ใช่หนังจริงเพราะเราจะจะทให้เป็นหนังตันแต่ก็ต้องน้อมอาสิที่ท้านสอนมาปฏิบัติไปเยคร่อย่องคำสอนท่านเข้ามาอยู่ในใจเร่่มันก็จะแตเราไม่มีกำลังที่จะย้อนอะไรถึงสิ่งที่ท่านสอนได้แต่ถ้าเราจับประเด็นได้เรามันก็จะมีป่กับใจเราได้ มันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมันุกยถ้าจับประเด็นไม่ได้ไม่สามารถรักษาให้มันอยู่ปับใจเราได้มันก็เป็นปัญญาไปครับเลยเพราะปัญญาก็ปัญญาปัญญาคือขณะที่ฟังเออรู้เรื่องมันเข้าใจจิตมันก็สงบใจพอผ่านมาแล้วมันก็ลืมอนพอมันเลืมมันก็กลับไปอีกสักพักเดิครับแต่ถ้าเรา เขใจจับประเด็นได้ใช่ไหเลยเราก็จะจับประเด็นนั้นขึ้นมาคิดเองเนี่กปัญหาเราอยู่ที่ราชาปัญานี้เองถ้าเราตัดมันได้เราก็จะสบายเราก็พยายามจับใจเวลาทุกอย่างอะไรอยากอะไรในทางราชาเราก็ตัดมันตัดมันขึ้นกึนมันก็่นก็สง่มันได้คือคามรู้สึกของผมตอนนั้นเหมนเ่มนเหมือนเราบางทีมันไม่มีใครไม่มีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเง้ย มันอยู่ว่าฟังมันจะเกิดข้นเกิดขึ้นมาแล้วมันก็โดยที่ยังทำอะไรอย่างไรโดยที่มันมเข้าใจเนไงม่นเข้าใจแต่ว่ามันไม่เข้าใจอย่างสาววอถ้าเข้าใจอย่างสาววมันก็จะเป็นอย่างั้นไปเรื่อยๆหลังจากที่ท่านเทศผ่านกระแลจบแล้วออกจากที่ความธรรมมันก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอันนี่ยที่ท่านาอย่างที่พระ พระอัญญาณโก ญ, ญิยะเวลาทำทำที่พระเจ้าญญทรงแสดงครั้งแรกแล้วก็เกิดบรรลุขึ้นมาอ้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาแล้วจิตของท่านก็นปล่อยปล่อยสิยยย่งต่างที่เราต้องดับไปไม่ยึดไม่ติทดท่านจับทะเดบีานได้จิตท่างก็โลดอยู่ในตลอดเวลาเกี่ยวกับ เ, เรื่องทางการงๆโดยที่เมื่อก่อนที่การหนอบหัอ ก, อ ก, บกใจด่วย แต่ที่เม่ได้พูดจิงเนี่ยคนที่เรารักที่เราจะต้องจาบไปแต่พอเราฟังคำแล้วเราเปิดความเข้าใจว่าอ๋อเรายุดติดไม่ได้เราต้องปล่อยใหเป็นไปตางความจริงเราก็จะโล่เราก็จะไม่รู้สึกเสียออกเียใจไม่รู้สึกทุกขเพราะมันเป็นธรรมดาทำอะไรในการจัดขึ้นย่อมในการดับไปเป็นธรรมดาครับ นียถ้ามันจับประเด็นได้มันก็จะฟังอย่างเดียวกันถ้ามันจับไม่ได้มันฟังขณะฟังมันั้นมันก็ทราบซึ้งใจแต่พอผ่านไปใจเราก็ไปกระโดดไปเรื่องอื่นละไม่อยู่กับเรื่องนี้ต่อไปแล้วงนั้นถ้าเราจับประเด็นไม่จับเราฟังแล้วเราสึกว่าเรามีความทราบซึงกับเรื่องไหนตอนไหนเราพยายามหยัดทิ้งมันไปพยายามดึงมันไปคิดถึงมันไม่เหมือนเดิ แต่ถ้ามันความจริงมถ้ามันถึงใจแล้วมันไม่ต้อ ง, งมันไม่ต้องเด็กไม่ต้องบวังครับถ้ามันยังไม่ถึงใจเดี๋ยวมันก็ถ่านไปก็เหมือนกับดูเวลาดูห น, นังตัวอย่างเนี่ยเวลาดูห น, นังตัวอย่างเออหนังน่าดูนะแตพอพอไปดูนะพอไปดูเรื่องอื่นเรื่งองเื่องอย่นอื่นเข้ามาให้เราดูให้หนังตัวอย่างนั้นแล้วก็เดินไป แต่ถ้ามันประทับใจจริงๆบางทีเราไม่ดูหนั ง, องนนเองเลยนะลองดูหนังเรื่องนี้เรื่องนี้หดูแต่หนังตัวอย่างก็ยังดีถึงแมมันจะั้นๆกยมาก่อนมาดูทำทำแล้วทำอีเพราะดูอย่างนี้น ม, นนน ม, นนมันไม่ประทับใจสินะอย่างนี้มันประทับใจบนี่แหละการที่เขาบรรลุธรรมบรรลุธรรมในขณะที่ฟทำทำไปเรื่อยๆความรู้จิตมันปล่อยได้มันเข้าใจแล้วมันปล่อย ก่อนปล่อยอย่างนี้บาเทศก็คุ้มสังเลยทางที่อยู่เมื่อวานนี้คันเทศเรื่องการตับอุปทานเรื่อดตา ย, ยาต้องพิจารณาอย่งเข้าใจพ่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเข้าใจแล้วปล่อยมันก็จะปล่อยแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วอยากจะปล่อยเนี่ยมันก็ปล่อยไม่ได้อย่าี้ไม่เก้คนพูดเดี๋ยวนี้รูกเนี่ยที่น่ารักเลย ถ้าทวันเขาก็ต้องจากกไปคุณปล่อยได้หรือยังถ้าปล่อยได้แล้วมันจะถ้าพิจารณาจนเห็นมาคำสินว่ามันต้องปล่อยมันมันต้องจากกัถ้าเข้าใจมันก็จะปล่อยนะทำเป็นบังคับให้ปล่อยก็ได้มันต้องพิจารณาจนกระทั่งมันเข้าใจว่าไม่มีทางอื่นมันจะต้องเป็นทางนี้ทางนี้ วิจเราไม่กล้าพิจารณาขอนเองพราะที่พิจารณาทีใดมันก็รู้สึกกดขู่ใจเพราะว่ากิเลสมันยังมีกําลังมากอยู่แต่ถ้าเรา ท, ทําจิตใจให้สงบได้กิเลสมต้องมั น, มนจะถึกกําลังพอเราพิจารณาเรื่องนี้มันจะไม่หมดขู่ใจมันก็จะกล้าพิจารณาไปาพิจารณามากๆเขาจนกระทั่งมันเห็นเป็นที่เห็นเป็มตาว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ มันก็ปล่อยมาฉะนั้นการบงเพ็ญนี้ความสงบเป็นความสำคัญมากท่านได้แสดงไว้แล้วว่าสุมาคุณเป็นเครื่องสงบสุนทรปัญญาปัญญาทำจิตให้คนทำจิตให้ต่อหลังนะ้ือีกท่านที่มีบางครั้งไปภาวนากับเพื่อน บาง sì, ทีบางวันวันแรกๆตลอดนานก็ร Herm ู dele, aire, ้สึกว่าจิตมันก็ไม่สงบนะครับก็ตัดความไปเรื่อยๆแต่แล้วพอมาอย่างที่สองที่สามที่ยืนมันมันเหมือนกับว่าอยู่ก็เกิดเกิดเหมือนผมไม่ทราบว่าจะเรียกว่าสมาที่หรือเปล่านะครับแต่เอ๊จิตมันเบาเราเสียแล้วก็มองไว้ดูการปฏิบัติมองกันแบบง่ายนะ มันก็ง่ายเราแค่ตามรู้ณขณะนั้นเรามองเหมือนหน้าจริงผมมองเหมือนหน้าก็ง่ายที่ว่ารู้กายรู้จิตมันไม่มีอย่างนี้มันเบาก็เราไม่ต้องทาอะไรยันท่านจะรู้จะเดินให้เรามีสติรู้คิดมันก็เบาก็ก็ไม่ทราบว่าอะไอย่างไอสภาวะแบบนั้นเนี่ยมันนานหรือจิตตนั้นเราไปสมาธิหรือเปล่าแต่พะมันก็ไม่นานแล้วมันก็มั้นเป็นแต่นั้นไม่ไม่ไม่ยึดตัอไม่ไม่ไม่ถึงฐานอยัางไม่ได้ร้อยไม่ได้เก่งลอยค มันอาจะเริ่มได้สิบี่สิบสามสิบเปอก์เซ็นต์เยอะแต่ยังต้องกษายังเท่ยังไม่ได้ใังไม่ต่อเนี้อถ้ามันเป็นน้อยเราไม่ต่อเนื่องออกจากสมาธิออกจากท้าหน้างานมันยังสมบอยู่ดิตาขึ้นมาฟังเสียงเหมือนรดิมได้ยินอะไรมันก็ยังสงบอยู่เวลาคิดนันก็ยังสมบอยู่ขนาดนั้นยังไม่ถึเป็นความสมบอีกนะ้น มันจะมีอารมณ์ที่กิดเป็นแบบชั่ววูบชั่ววูบขึ้นมาในขณะที่ไปคุยเงียหน่อยที่ไปทาให้เกิดกิเลสขึ้นมาแต่มันจะเห็นชัดเหมือนกับเหมือนกับน้ำนิ่งแล้วเวลาเราวโยก้อนหินวนไปเรื่อยมันก็จะเพิ่มขึ้นาันั่นแหละคือความสงที่มันต่อเนื่องแล้วก็ไม่ไม่เสียอไม่หายไป การที่มันไม่สนว ก, ก็เพราะว่าในเวลาขณะที่กิเลสมันเพื่อจมจุนามันโกรขึ้นมามันก็ทาให้จิตกราเพื่อนตา่างไปนั่นแหละสมาธิทำงานเวได้กันี้ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาเป็นตัวต้องพิจารณาไปล่าโมหิสงห์ที่กิเลสอยากจะไปเกี่ยวข้องด้ว การคิดถึงเรื่ราวั๊บจิตใจะเครื่องขึ้นะาก็ต้องพินาาว่าตอนแก่ถึงตายเาต้อนดินน้ำลมไฟไม่ไดยืตัวมีตัวเราเราทุกคนนี้ตอนนี้มาแต่ดินน้ำไฟแต่เราไม่เห็นดินน้ำลมไฟเราเห็นตัวดนน้ำต้นี้เป็นอะไรัมดเป็นคนีนเป็นช้าง แต่เมื่อเราวิเคราะห์ดินเข้าไปมัก็มาจาดินน้ามันไปมาจากอาหารอาหารก็มาจากดินน้า ม, มันไปเราทำานนี้เรเห็นว่าต้นต้นน้ำเคยดนน้ำมไปมันก็มาเป็อาหารนก็มาเป็นผต่างๆนี้เองไปแล้ว่ากับไปเป็ น, นดินดินน้นน า, า, าปปนมัานไปเวลาตาถึงสมันเียมันก็แยกกั น้ำกไปลมก็ไปไฟก็ไปไม่ไดยแต่ดินก็จะทนี้ถ้ตอบไปไส่ใจฟังใจเราเราไม่คจะเป็นลูกเราเรานุเราไปสะไรอย่างนี้เราเราเหลือสนุกเพราะเห็นว่าการนดินน้ลมไฟก้อนนี้เป็นลูกเราวินเราเป็นภรรยาเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นตัวเรา บางทีมันก็เป็นเพียก้อนดินหน้าเมืองไฟนเหมือนจะ ม, มันเล่นกลนะเราดาูแต่เราไม่ฉลาดไปดูคนที่เขาเล่นกลเลยทำไมก็ผ่าคนออกเป็นขึ้นร่างจากการเล่นกลของธรรมชาติเอาดินหน้าเมืไฟมาใส่ผสมให้เป็นรูกกล้าต่างๆมันจะ มีความต่อเลื่องกันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นของเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่เราเพราะมันการต่อเนื่องกันเราออกจากท่องท่อแม่แต่พระจีนก็เป็นท่อมือก็เ ป, ปออดูดน้ำลงไปบอกมาดูดน้ำลงไปทันจริงดน้ำลงไปบอกให้เห็นท่าแล้วมันก็จะเข้าใจ เหมือนกับหนังสือที่็นินเนี่ยมันเป็นก่อนจะมาเป็นอย่างนี้ได้มันต้องมีอะไรต้องมีอะไรบ้างต้องมีกระดาเอามีตอมีเครื่องพินมีหลายหลายอย่างต้อเนี่ยมันจะเป็นอะไรนังไงครับ่นปยังงแล้วกับเป็นดินมนเลนคนท่านดูมันเลาอะไรใชดินน้ำเงินไฟคนที่ม่มีปัญญาก็หลงติดอยู่กับ สมมติเราถว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่แต่บางทีมันก็เป็นทิ้งดินหน้าห น, นึ่งคนดูคนจริงเขาเกิดมาแก่เจ็บตายแต่หน้งมากมาจากการหายไปในเวลาคนเลี้สมัย้เลี้ยงปีาจเลี้ยุโคไทยเลี้ยงมรณะโปรินก่อนที่เรานจะมาเจอเนี่ย คนที่ตายหมดแล้วก็หายไปหนก็หายไปไหนหมดต้อกลับไปสืยืนหน้ามงิไ ป, น, ไป <c oughs> นี่นส่วน <c oughs> ของร่างกายส่วนใจมันก็กลับมาพอร่างกายนี้มันตายไปนี้ก็ไปห า, าหน้าหแต่จะได้จะ น, นั่งคิดอยู่สักพักไปเป็นเทศเป็นคนมือไ ป, ปตกนรก เเป็นตเนแล้วก็ได้กำเนิได้ร่างนุษบ้างได้ร่างดยสายบ้าแล้วกำเนิาหลงหไปก็วนไปเรื่อยๆแตถ้าได้เจอพระ้าได้เจอทาองสอนนะเข้าใจทุกยานนก็ไม่หลนกลับพ้า ก, กา็ต่อไปก็ไ <c oughs> ม่ทํางตัดสินก็มีกัน ก็ไม่ต้องไปทุกขกับอะไรสองอะไรปัญหาของใจก็อย่าคิดทุกขนี้องนะเตุขอความทุกข์ก็คือความหนุนคือความไม่เข้าใจมองไม่เห็นสัจธรรมที่แท้จริงคือดิยรน้ำมูลไฟเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นสมมุติเห็นการด สมุติสัจจะจะไม่เหุ่นตัณมัดเท่าสัจจะแล้วปกติมันไม่ใช่เพรามันมีกรรมแบบไหนที่จะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าหรือสมมติแม้ว่าต้องตาเดี๋ยว้ถ้าเกิดมาให้เรามีความเจริญก้าวหน้าที่จะไปทาดีคนเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยเรามีสิทธิ์ค่ะ มนมีลมกกันแปลนี่นหะเรื่องศรัทธาเริ่ม <c oughs> ต้นก็มีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระแล้วก็เมือมีศรัทธาแล้วก็ก็จะด้ปฏิบัติตามฝังสอน <c oughs> ก็ต้องบำเพ็ญไหว้นี่ยทำสิบปรดาานบา ม, มีบุญบานีใหกรรมะบารมีขันติบานีเงียบบารี ถ้าเป็นเหตุที่เราทำลางปฏิบัติที่ครูบาาจารสอนเปงนนามธรรมบุญนี้ก็ทานต่อไปก็ต้องมีวิริยะเราเาเองถ้าคิดเจ็บจำไม่ได้แต่วันนี้อยากจะนอนก็ํานับนางไม่ไหวจาไม่ได้ก็ต้องมีทันติบาลเอยก็ทาบุญหนึ่งก็ต้องอะไบ้างแต่นอนอยู่กับ้างมันก็ไม่ได้ขมันก็จะไม่ได้ ในเวลามานี่นอกจากได้ทานบางเย่างไ้เงินได้ที่ดินบางอ่งได้ทั้งศิลบางอยได้อาจุจาริบางยนนอษษาางย่าคือบางตั้งใจ้งใจมันจะมาทำบุญแล้วก็มีสัจจะมางยนย่งคืมีความจริงใจมีตั้งใจแล้วก็ทาตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ เ, เดี่ยวมันต้องขยับขึ้นไปชันแล้วต้องจังไปสอ่การรักษาตัอการปฏิบัติในธรรมะการออกบวชการออกจากกามาสุดในธรรมะแต่ว่าการออกจากกามมาสุดเมื่อปฏิบัติแล้นก็จะได้เจอกับอุเดกขาก็าาะทั่งก็จะได้มัมไป็นอุเบกขาเร า, าเองวัชิตเป็ก็จะเป็นอุเดกขา แล้วก็จะมีเมตต า, าบางหนะแต่้าจิตมีการสงบก็ะจะเห็นความสุขที่ในตัวเไม่มีการจะเดินไปนั่งไปไปเกลียดไปชงไปมีอะไรกับคก็จะมีเปความเตาเพราะ<ม>เราไม่ต้องไปแก่งแย่งสิ่งดีสิ่งที่ดีที่สุดมันอยู่ในใจเราไม่ไ่ในตัวเราอยู่แล้าจะทำให้เราเป็นคนมีความเาตตา มีปัญญาเพราะเนี่ยเห็นเห็นความจริงที่เป็นปรมาจารย์ว่านวงนี้เล่นไม่อยู่ตัวเล่นตอนไม่มีอะไรเลยมันเป็นเช่นน้ำลมฝงนะด้วยการบำเพ็ญทานศิกบาลานีนีก็คือทานที่จะทำพัฒนาจิตใจเราให้ไปเดินถึงวันนี้่ ถ้าทาให้เสร็จชาตนี้เรไปทาต่อชานานาไม่ชงเสืยเลยไม่เมนอยู่ที่โรงเรียนี้แล้วต้องย้ายต้องย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นเรก็เปเรียนต่อที่ที่นั่นก็ได้แต่เราเรียนม .5 ยังไม่จบม .6 อเราย้ายไปอยีกเมืองหนึ่งเก็ไปเรียนต่อม .6 ที่ที่เมืองนันเลยแล้ว้องไปเรื่องม .1 ไม่ต้องไปเรื่อตอนนึงมีแต่เหมือเรารเราท บารมีได้ถึงระดับนั้นพอกลับมาเกิดเป็นมนุษยก็จะทําต่อไปตอนนี้เกิดมาจริงมีการเจรินาทางจิกใจไม่เท่ากันครูบาอาจารย์ท่านได้ทำมาบากแล้วพอท่านมาเกิดชานี้ท่านก็บรรลุได้น่านก็เราบรรลุกันได้เา เ, า, ดาเป็นคนเหมือนกันเกิดเอามาจากท้องข้ อ, ขอทั้งแม่เหมือนกันจินข้าวเหมือนกันหายใจเหมือนกันเพราะมันต่างันบางอี่ ที่ได้ทักไปได้ทำบางม่เท่ากันก็มีทางนี้ก็ต้องทาไปแล้วคือเราเห็นคนหนึ่อยู่ระดับปริญญานะแต่เรายังอยู่ชั้นปฐมอยู่เราก็อยากไปอิจฉาเขาเราก็อยากไปน้อยใจเราต้องยอมรับความจริงว่าเราเรียนไม่ถึงชั้นเราก็เรียนต่อไปแต่ปฐมเยอะขึ้นมากขึ้นมา พุทยมเดี <ia> ๋ยวมันก็ขึ้นสปปัญญาแล้วเขาก็ยักขึ้นไปเลยตามได้ถ้าเราปฏิบัติทางทานศีลธรรมอะไรนี้ได้ศััทธาได้เป็นน้ได้ขั็นตอะนี้ก็จะไปเรื่อยๆพอียนใหจบมันก็จบเมื่อจบวิชาพุทธศาสนาได้ได้อะไรอ่ะสิขัตจการ์จังเลย การโซดาสกจิยาการรมุนิงานารนุนอาหงพระคุณปัจจักจากข้กาวถิ่นตะวันออกการการปฏิฐานนี่นี่ถ้ามาัานมีผลบ้างนอแค่ไหครับปฏิฐานนี่มันแปาว่าการตั้งใจมันไม่ได้เป็นการขอเครา็มันมีผลอยู่เพราะถ้าเราไม่เราไม่ตั้งใจเราจะไปทำได้จรงต่างได้อย่างไรในวันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาที่จะมาได้ การตั้งใจก็คือการตั้งเป้ามีอย่างาทำ ง, งานจะก้องดวยแถึง่าต้ง ต, ตังเป้าเนนี้จต้องให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นอีก 10% ก็ต้องมืก็ต้องสวนขวายหาวิธีทำขึ้นหนึ่งจัที่ให้ได้แล้วคุณต้องติดตามผทุกเดือนเี่รู้ว่ า, าแสตางเป้าหรือปากันเดือนปีแล้วเดือนนี้ได้แค น, นี้เดือนนี้ได้เริ่ เพ็่ม 10% ของของปีที่แล้วไปถ้าไม่ได้ก็ต้องวิหากษงานเพิ่มขึ้นต้องเร่งถ้าได้แล้วก็เบาใจหน่อยออได้แล้วได้ผนเปล่นปาลนี่คือคำว่าอธิษฐานไม่ใช่คำว่าการขอเข้าใจปีกในศัพท์ภาษาไทนี้มันมีความหมายสองอย่างทางโลกนี้ชอบหมายถึงการขอทําะไรก็ขอให้ไปท่านทานขอให้ไม่ต้องกลับมาเกิด ขอได้แต่มันน่ได้อยู่ที่เขอมันอยู่ที่เหตุว่าเราทําให้เหเกิดกันได้หรือเปล่าแล้วไม่อยากจะไปนิพพานอยากจะไปอยากจะไปอยากจะไม่จับมาเกิดนไม่เกิดใหม่ก็ต้องตัดปัญหาทันตรายได้มันไม่ได้อยู่ที่อธิษฐานไปแล้วทาบุญให้ทานอย่างเดียวขอไม่พอหรืนว่าหรือยากจะตีข้าให้อีกเนี่ยคุณต้องอธิษฐานแล้วว่ามูลนี้ขอกินให้อีก แล้วก็ตัดข้าวเพียงสองคำแล้วก็หยุดกินแล้วจะอิ่มไหมไม่อิ่มหรอกพอดีที่การกินมากกว่าไม่ต้องอธิษฐานแล้วนะขอให้กินเข้าไปเดี๋ยวมันก็อิ่มมีว า, จานจึงมีคาว่าข อ, ข อ, ข อ, ขอนะแต่ถ้าคำว่าอธิษฐานเราคำตั้งใจมันต้องตั้งใจ้ไปกันจะกินข้าวยังต้องตั้งใจต้องตั้งใจกินถ้ากินไม่ตั้งใจกินแล้วกินไม่อิ่ม พอกินได้สองคำในคนมาติดอัตละก็ไปทําชิ้วานนั่นก็ไม่อิ่มแต่ถ้าเราตั้งใจว่าก็ากินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปทำหลังต่อใครยังมาติดต่อเทา่าไรก็ต้องรอให้ต้องรอให้เขารอให้ก่อนากินข้าวอยู่เนี่ยคือค่านตั้งใจนี่เนี่คือสาระอธิษานในทางทางคำละอะไรอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจจะเป็นนิสานเราก็จะไม่ทำอะไรอห่นทําให้พลาดไปเนิทานก่อ น, อนก็้วไปทำอื่น เป็นทศกัณฐ์นี่ไม่ทำอะไรเลยนั่นแต่ออกบทเนะี่ยงไปที่พระ น, น, นิพาน่เดียวพอันรู้ถึงพระนิพานแล้วถึงค่อยมาสั่งสอนยื่น่อนแต่จะไม่ให้มาให้การสั่งสอนมาเป็นตัวขับขวางการเดินทางไปถึงพระ น, นิพานถ้าหบอไม่เอาแล้วนีัยไม่สอนยังไม่ถึงพระ น, นิพานมันี้ได้ตั้งจับพระปัจาริยานเราจะไปถึงพันานก่อน แล้วค่อยทำเลยคําว่าคําว่าธรามธรรพิธานต่อไปมีมีมีมีความสำคัญมากในการปฏิบัติเพราะถ้เราไม่ตั้งหล<ม>ักานแล้วแนวแน่ต่อที่เสียงที่เราพิธา้วยังมีเรื่องอื่นมามาชวนให้เราไปทำเราต้อ<ม>งทำเป็นคนจะทํางานเนี้รับงานเขาไว้ว่าจะทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนีน้แล้วเดียวคนอื่นมีงานใหม่มาให้คุณ ถ้าคุณไม่ตั้งใจว่าจะทําให้เสร็จเดี๋ยวมีงานใหม่ที่คุณเห็นว่าคุณคุณจะรับและทำก่อนเนี่ยงานที่ก้าวใหญ่มาไม่เสร็จงานนี้ก็ไม่เสร็จเพราะอยากจะทํางานใหม่นี้ให้เสร็จก็จะมีความสงสารในแบะคือบางคนก็บอกว่าการจะทําบุญ อ, อะไรก็แล้วแต่ มันต้องอธิษฐานมาันไปได้มิสงมากกว่าที่เราจะไปขอโน่นขอโน่นหรือจะอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ว่าเราต้องการผลตอบแทนจากบุญที่เราทำํำแล้วเราก็จ ะ, จะเราขอามิสงแห่งทาง น, นี้แห่งบุญ น, นี้ให้เราอย่างนั้นอย่างนี้แต่ ก, การที่เอาทำไปแล้วแล้วอันมุทะนาความสุขเพิ่งสุ ข, ส ข, สขมันวรที่ได้ไม่ไม่เหมือนกื่องอธิษฐานนี่มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้เราได้ผลที่เราต้องการดัะนั้นอธิษฐานแล้วม่อธิษฐานมันก็ ไม่สําคัญมันอยู่ที่เหตุที่จะทําให้เราได้ผลถ้าเรามีเหตุแล้วจะที่ถามแมแม่ที่ถามมันก็ได้อยู่นีพราะมันจะเหมือนกันไหมเหมือนเหมืนกับเหมือนจริงมันไม่เกี่ยวไงมันไม่เกี่ยวไงเพราะทําขอขอให้เป็นอะไรเนี้ยแล้วคุณนั่งมีเฉยเนี้ยคุณจะได้เป็นเป็นอย่างนี้สมมุติถ้าเกิดการทําอุทิศทานทําไปแล้วก็ไม่ระเบิ ไม่ไทํายทิฐิอะไรก็ได้คุณเ อ, องเลยเนาะใช่ไหมต้องแยกปฏิจจาวาทิฐิฐานกลาว่าอารทิฐิฐานนี้แปลว่าขอหรือว่าเป็นการตั้งใจถ้าตั้งใจนี้ต้อต้องต้องตั้งใจครับจะตั้งใจจะทําทบุญไปตลอดชีวิตอนยะ่างเงี้ยอันนี้จำเป็นไม่จําเป็นถ้าคุณไม่ตั้งใจเดี๋ยวคุณก็อาจจะไม่ทำไปตลอดชีวิตก็ไดสมม้สมมุติว่าเราตั้งใจว่าไอ้บุญอันเนี้ยอยากหรือบวบ่าเพราว่าบุญบุญที่ได้แบบนี้ เพื่อให้เราได้เ อ, อมีวินศีนี่สมาธิปัญญามีความเพียรที่จะปฏิบัติกันนะครับสมมติสมมติถ้าเกิดเรามีความตั้งใจแบบนั้นเแ็จแล้วเ อ, อเราทํำไปแล้วเราไม่ไม่ทิฐานะครับแแล้ ว, ลวอนันสองของบุญที่เราทำมันว่าอะครไปช่วยในด้านอื่นนะฮหรือหรือมันจะมาทางนี้แน่นอนหรื อ, อยังไงถ่าแล้วแต่เราจะเอาไปทำไงก็ว่า <c oughs> การนต่มันพูดข้าามันก็พูดรู้กาอธิบายไหมว่ามันมีคุณหายหลา ย, ลายตาระเด็นกันเป็นคุณหมายถึงการถอยทานใช่มรัครับการถอยทานนี่มันก็มีอันนี้สองของมันอีกแล้วครับจว่าคุณจะอธิษฐานหรือไม่ข้าตาเป็ น, น, น, น, น, น, นการการถ่ายทานนี้เป็นการชำระในการกำจัด ความตณ์ีสั้นะความเห็นแัดตัวสั้นะความโลกนี่คือผลที่จะได้รับแม้ว่าคุณจะขอหรือไม่ขอก็ตาม ท, ทําไปแล้วมันก็จะได้มือนกับคุณรับประทานอาหารเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความอิ่นแต่มันไม่ได้ทําให้คุณหล่อขึ้นหรือหล่อมขึ้นใช่ไหมแต่บางคนที่ว่ากินอาหารแล้วจะทําให้ตัวเองหล่อเล้าขึ้น เขาเชื่อหรือว่ามีคนเขาเขาบอกให้ฟังแต่ถ้าอาหารนั้นมันไม่ได้มีมีผลที่จะทําให้หลออต่อให้อยากยังไงอธิษฐานยังไงขออย่างไงมันก็ไม่มีทางที่จะหลอดขึ้นได้แต่บางคนก็บอกกินนะกินอาหารย่างนี้แล้วทาให้ผมดํำจับจากผมหลอกได้ถึงว่าเจ้าอาหารนั้นมันมันมันจับจัดได้จริงๆทำให้ผมได้ทําได้จริงๆคุณไม่ต้องมอธิษฐานมันมันก็มันก็จะทําหน้าที่ของมันอยู่ดี ผมไม่ต้อไปขอมันมันก็ทําอยู่ดีแล้วแต่ถ้ามันไม่มันไม่มีหนะ้าที่ที่จะทําให้ผมหรือของคุณขาวขึ้นมาไอ้ดำขึ้นมาขอให้คุณขออย่างไงอยากอย่างไงมันก็ไม่มันก็ไ ม, มน ไ, มมนไม่เป็นอย่างที่คุณขอยเนะฉะ้นเวลาคุณทำทานนี่ขอให้ไปนิพพานนี่มันแบบไปไม่ถึงหรอกถ้าทํำทานอย่างเดียวอ า, าจะนะารย์านนี่มันเป็นเพียงแต่ก้าวแรกของการที่จะไปพ้นนิพพาน ทานนี่มันจะพาให้เราขึ้นสู่ขั้นที่สองคือสิ่งถ้าเนี้ยถ้าขอว่าขอให้ทาบุญให้ทางนั้นจะได้ปฏิบัติสิ่งต่อไปถูก เ, เ, เพราะมันจะขอไม่ขอมันไมจะพาเราไปสิ่งนั้นอยู่ดีเพราะเมื่อเราทำบุญให้ทาง น, นี้เรื่อยเราจะมีจิตเมตตาเราจะไม่อยากจะเบ็ยเบียนผูอ้อื่นเราก็จะมีสิ่งขึ้นมาโดยตัวเองแต่คนที่ไม่ชอบทาบุญให้ทาง น, นี้จะเป็นคนเห็นก่ตัวคนโลก ก็จะเวลาอยากจะได้อะไรก็จะหามาช่วยทุกวิถีทางเขา ไ, ไม่ทําก็ไม่คํานึงว่าจะไปเบียดเรียนผู้อื่นนะขอให้เขาได้มาเป็นที่เขาอยากได้เช่นเขาไปเห็นภรรยาของของเพื่อนของคนอื่นเขาแล้อยากจะได้ภรรยาเข้ามาเป็นคู่ของเขาเขาก็จะหาทุกวิถีทางที่จะไปไปเอามาและที่ไม่คํานึงถึงว่าจะทําให้คนหน่งก็เดือดร้อนอย่า ง, งเาง แต่ถ้าเขาเป็นคนทำบุญทำทานอยู่ด้วยเขาก็อยากจะได้ภรรยาของเขาหนึ่งก้อนกี่ให้เพือนเพ่อสรางความเดีอดร้อให้คนอเขาก็ตัดได้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ไมทำเขาก็รู้ว่ามันมดีมันเป็นือนซึ่งเขาไม่มีความอยากที่จะทำอย่างนี้นเขาก็จะไม่ถึงขึ้นมาถ้านักถามว่าทําบุญทำทานเพื่อจะได้อะไรก็ไม่ได้ให้ได้สิ ทัาษะถึงก็ังให้ได้แล้วก็จะได้ภาวนาแล้วถ้าภาวนาผู้จะได้แลก็ก็จะได้ขั้นตอนก็จะได้สมาธิในความสงบถ้ามีการสงบแล้วก็จะก็จะพาไปสู่กับได้การปฏิบัติปัญญาไม่ได้ปัญญามันก็จะได้นิพพานมันไปอย่างนั้ไม่ได้ทําบูญแล้วขอไปนิพพานแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องสีเรื่องภาวนาเลยมันข้ามกระโดดข้ามไปไม่ได้ อย่างนี้ก็เขาก็ <K> คือทุกอย่างที่ทําอันนี้ส่ของของบุญของสานที่เราทํามันก็จะเต็มไปเลยอาจจะไม่ว่าระเบด้นอกจากว่าเราถุกอาํานาจของสิเลมัน ม, มนันครอบงำคือเราทําบุญไม่ได้อยากจะไปนิพพานก็มีมอยากจะกลับมาเกิดแล้วรวยอยากจะรวยขึ้นเว่าเดิมนีม่<ม>คือชาตหน้านีา่เกิดมากี่ชาติก็ขอให้นั่งรวย<ม><ม>ก็จะทําอย่างนี้ไปมันก็จะวนอยู่ในแค่แค่ระดับทานากับ อันนี้ก็ไม่ยามรักษาสิ่งไม่ยามไม่ยามพัฒนาก้าวขึ้นข้าวต่อใช่ขอทําบุญอย่างเดียวเกิดมาโดยมีเท่าไหายก็ทําบุญอย่างเดียวเพื่อชาหน้ากลับมาจะได้รวยอีกเมื่อรวยอีกก็ทําบุญอีกก็อยู่แค่นี้แต่ไม่ยอมรักษาสิ่ไม่ยอมพัฒนาอยันนี้การอาธิษฐานก็มีส่วนส่วนในขั้นตอนของทางที่เราเดินไปไ ม, ไ ม, มีแต่ต้งางอธิษฐานแล้วถูกว่าขอให้เรา ทำทางนี้แล้วทําให้เรารักษาสิ่ได้รักษาสิ่ไม่ได้แล้วขอให้เราภอวนได้ภาวนาได้แล้วเราเราก็จะได้ดิพานีเหมือนกุญแจแล้วคุณมีประตูสามสามสามประตูประตูแรกคุณต้องมีกุญแจไขเข้าไปก่อนแล้วไขตั้ร้าเข้าไปประตูที่สองคุณก็ต้มีกุญแจลูกที่สองที่จะไขเข้าไปแล้วก็ไปเจอประตูที่สามคุณก็ต้องมีกุญแจลูกที่สามที่จะไขเข้าไปหน้ ทานี้ก็เป็นเหมือนกับกุญแจลูกแรกสีนก็เป็นกุญแจลูกที่สองภานาก็เป็นกุญแจลูกที่สาแต่ถ้าคุณได้กุญแจลูกแรกแล้วคุณไม่พอไปถึงประตูที่สองคุณไม่ไม่ไม่ใช้กุญแจลูกที่สองเปิดคุณกลับมาที่ประตูหนึ่งใหม่กลับมาที่ประตูหนึ่งใหม่แล้วก็ใช้ลูกเก่าที่ขายแบ่ประตูลูกแรกคุณก็จะไท่ายังไงนะคุณก็จะทำทานอย่างเดียวพอถึงประตูที่สองคุณต้องใช้สีนะแล้วต่คุณไม่ใช้แะ ถึงจํมาทำทานอยูเ่เรื่อยๆยังทำทานต่อศีลไม่สนใจไม่แคร์ขอให้หาเือนได้มากๆนีถถ้ถ้าถ้าถืกว่าอีกส่วนของการอธิฐาอะไรมานเลยนำพาให้เราได้ไปรักษาศีลเป็นท่านเป็นตอมไปเพอจะนำทางไปถ้าอยากจะไปพุทธนิทานมันก็ต้องอธิษฐานอย่างนี้ไปแล้วขอให้ทำทานเยอะๆ ก็จะได้ตัดกิเลสตัดความโลภตัดความเห็นตัดตัวตัดความปณนเพื่อจะได้มีจิตเมตตาเพื่อจะได้รักษาถึงได้เมื่อเราทำได้แล้วเรา่มเริ่มมองไปรักษาถึงอย <mint> ู่รักษ า, าได้เมื่อก่อนี้จะรักษาถึงห้าเป็นประจำอยู่ไม่ให้ขาดเลยทุกวันแล้วเอาอนาดดุภาพมาให้ถึงถึงแต่ขั้นต่อไปเราพยายามรักษาแต่เวลารักษาก็าบอก ถ้ายักษาสิ่งไม่ได้เนี่ย เ, เราจะได้ภาวนาได้ถ้าเรารักษาสิ่ได้แล้ ว, ลวเราก็ลองไปภาวนาดู <Okay. S 1> เราก็จะภาวนาได้ไม่ไปนะการการกอธิษฐ า, านต้องแปลว่าความตั้งใจไม่ได้แปลว่าการขอขอไม่ได้นะท่านพุทธศาสนานนไม่มีอะไรที่เราจะขอได้ในําเข้าใจคําว่าอธิษฐานก่อนเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องคุยทีไรก็กลับมาที่ต้องให้ตัวขอในทุกทีย มันไม่ขอห้ามขอเด็ดขาดทางวิธี น, น, น, น, นี้ทางโลกนี้ไม่มาเกี่ยวกับทางธรรมเลย<อ>ทางโลกจะขออะไงก็ได้จุดทูปเชียนสามดอกขอให้ขัวชื่อศัตุูเจริญจับตนเองก็ได้แต่เขาจะชื่อศัตรูมันเรื่องว่ามันการขอนี่มันไม่เกี่ยวข้องเลย อ, อยู่ที่ใจเข า, าต่างแล้วก็มีศีลมีธรรมเขาก็เขาก็ชื่อศัตุูเจริญกเราเองแล้วก็ไม่มีศีลมีธรรมขอขอองไงก็ไม่มีทางจะขอได้ งั้นกขอให้น้ำมันไม่เปลี่ยนขอได้ขอให้คนชั่วให้ดีมันขอได้ไม่น่าขอเลยไม่ขอพวกนี้งัะนผู้ศึาศาสนายังไม่สอนให้ขอประเทศหลายท่านเนี่ยอให้ทําด้วยความตั้งใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราทํานี้ทำเพื่ออะไรเมื่อเราได้สิ่งที่เราทําเมื่อเราได้ผลจากสิ่งที่เราทํานะว แล้วก็ทำในทาสิ่งขั้นต่อไปเพื่อให้ได้ผลอีกขัน้นหนึ่งต่อไปก้าขึ้นไปเรืยๆกาวนเรื่อยๆทําทานเพื่อให้ให้ให้ใ ห, ให้ให้ได้รักษาสิ่มั่นคงเมื่อรักษาสิ่งที่มั่นคงนั้นก็ปัจจัยพอน่าต่อได้เหมือนการเรียนจบปีหนึ่งแล้วก็ขึ้นปีสองได้พอจบปีสองกขึ้นปีสามได้ไม่ต้องไม่ต้องอธิษฐานหรอกคนเรียนก็ไม่ต้องอธิษฐา น, อ น, น, อนขอขอให้เรียนจบปริญญาหรอก วันคุณไปเรียนหนังสือทุกวันคุณตามเวลาที่เขากำหนดมาให้คุณเรียนเท่านั้นเวลาสอบคุณสอบผ่านเขาค้าใคุณขึ้นไปขั้นที่ขั้นต่อกันขั้นส็มแต่ถ้าคุณไม่ไปเรียนหนังสือไม่ทําการบ้านพอถึงเวลาสอบสอบไม่ผ่านเขก็ไม่คุณขึ้นอยู่ดีขอให้คุณขออธิษฐานขออย่างไรจนวันตายมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่เกี่ยวกันศาสนาเนี่สอนที่กรรมกรรมก็คือการกระทําไม่ได้ไม่ได้สอนที่การขอเลย ไม่มีอยู่ในศาสนาเลยแต่มันเพียออกมาได้ไงมือเล <c oughs> ลวลาจะทำอะไรก็ขอกันยมม่นิระโยชนลย <c oughs> นะ <c oughs> าใกับอย่างการภาวนาโดยการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตมันสงบอะครับกับการที่จะ บางบางคนอาจะเดินโาวนาแล้วก็ให้มีสติแล้วก็รู้แล้วก็อยู่กับสติสฐานสี่ตลอดเวลาผลออกมาจะไปทางเดียวกันมันมันอยู่ที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่จิริยาการเดินหรือกัรนั่มันอยู่ที่ใจว่ามันรวมลงได้หรือไม่ถ้ามันรวมลงเป็นอย่างได้มันก็ได้จะยืนก็ได้จะนั่นก็ได้มันอยู่ที่ ใช่เช่นหลงปู่ชาบเนี่ยท่านเดินขย่างตะวัดในหลวงปู่ปนน่าหลู่มันนะหลวงปู่ชอบท่านชอบเดินทุยลงตอนกคืนท่า mm. นจะเสือโครมก่อนแล้วก็เดินไปในป่า mm. แลคืนนึงท่านบอกท่านเดินไปแล้วไปจับเอะกับเสือโครงพ mm. อเห็นเสือโครมก็จิตที่กาลังภาวนานอยู่กำลองเดินเสืโอโครมเ่ินเดินทุยลงไปพอเห็นเสือโครมก็จิตมันก็รวมลงเลย รวมเป็นหนึ่งตอนนั้นร่างกายหายไปหมดเลยจะหลบเสือโครงก็หายไฟร่างก็หายไปเนืเ้อแต่ศักดิ์แต่ก็รู้อยู่อย่งนั้นรวมแบบนั้น น, ะนั่นมันรวมได้ทั้งยืนทั้งนั่งมันไม่ได้อยู่ที่ปีญามันไม่ได้อยู่ที่ท่าเพราะไงอยู่ที่ว่ามีสกกติรู้ปะล้วอยู่มีอยู่ที่ว่าตัวที่จะทําให้จิตมันรวมมันมักกนมีรูปะในตอนนี้ทางหลวงปู่เนท่าถ้คือเสือขอให้เสือปัดปิดมันตกใจ แล้ว ม, มีสติคอยคอยคอยดึงความตกใ จ, จไว้ไม่ให้ตรกต่อเติมไปหนึ่ ง, งมันค่ทยาอะไรมันรวมลงมาสุด อ, อย่างนี้ก็ก็เป็นกา ร, รการลดการการลดของจิตหรือบางองค์ท่านก็ไปนั่งตรงหน้าผานี้ก็จะได้ไม่ให้หลับเพราะบางทีท่านชอบนั่งแล้วหลับจับตัวมันก็ไปนั่งที่หน้าผานถ้าถ้าสับตัวมันก็จะได้หัวที่มลงผาเลยก็จะไม่ไม่ม่วฮะ พอไม่่วงท่านก็พุทโธพุโทพโธเดียวเดียวตระโหนึ่งครั้งมันไม่ได้อยู่ที่กิริยาไม่ได้อยู่ที่การเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิอันนั้นเป็นเพียงกิริยาเป็นท่านะเป็นทางกายแต่ทางใจอยู่ที่ว่ามีสติอยู่กับอยู่กับอยูก่กับกรรมฐานอารมณ์รืปลถ้าอยู่แต่มันไม่รวมรวมมันก็มันก็ยังไม่ได้ถึงมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงยังไม่ได้เต่า เช่เดินจง ก, กรมไปมาสี่ปีแล้วก็ยังไม่ได้เจอไอ้ไอ้ความรว้ของจิตมันมันก็ยังไม่ได้มันยังไม่ได้เพราะว่ามันมันมันมันไม่ได้อยู่อย่างต่อเนื่องส่วนนี้คิดว่าอย่างนั้นถ้าเราเดินจง ก, กรมในที่ที่มันไม่ที่มันปลอดภัยเนี่ยในใจเราก็เดินสายก็คิดเรื่องอื่นไปแต่ถ้าเราเดินในที่มันเดินไปนี้ไม่รู้จะไปงูลเลยื้อเรื่อเรื่อข้ามามาเม่อไหร่ มันจะอยู่อยู่ก้าเดินตลอดเวลาไอ้เง้นั้นเดี๋ยวมันว่าสงกหมดนะแี่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถมีสติบินใจให้อยู่อยู่กับกายได้ตลอดเวลาแล้วก็อยู่การเดินได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ดูมันไปติดตามมันไปมันคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดต่อไปกับมันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมันก็ไม่ดี งั้นถ้าเกิดเอการเดินและการนั่งแล้วปิดมันรวมปัญญาที่จะเกิดหลังจากการนั่ย น, นะครับมันจะเหมือนกันไหครับปัญญานี่ก็อีกอี ก, อ, ก, อ, กอีกวิชาหนึ่งคนละเรื่องกันสมาธิเราได้นี่มันเป็นเพียงแต่เป็นเหมือนกับตัวที่จะสสนับ ส, สนุนในการทํางานของปัญญาจริงถ้าเปรียบเทียบเลยือนกัว่าสมาธินี่เป็นเหมือนวัดถ้ามีตอนแล้วมาจากจะไป ไปไหนมันก็ไปได้น่าไปได้เลยถ้าไม่มีรถนีก็เดินไปก็จะช้าหร่อจะหรืออาจจะไปไม่ถึงเลยก็ได้เพราะว่าเวลาจิตที่สงบกับจิตที่ไม่สงบมันแตกต่างนันจิตที่สงบนี้กิเลสจะเหมือนกับถูกสิ่งยาปลุกเพมเราพิจารณาแสบเกียดตายมันจะไม่มีกิเลสมาคอทําให้เราลุกขึ้นกดถือใจ ทำมันาราพิจารณาได้จแต่พนังเห็นชัดเจนเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นั้นรับมันได้กิเหลสก็จะตายอยู่แต่ถ้าเรายังไม่สงบนี้พอเราพิจารณาความแก่ทางเจ็บคางตายมันก็จะเกิดความหดที่ก่เลสมันยังมาขัดขวางทันทีมันจะมีกหลอกล่อให้เราไปคิดเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ไปอีกสองเรื่องจนกระทั่งมันติดอยู่กับตาติดอยู่กับใจ พอเราติดตาครับติดใจแล้าเดี๋ยวพอมันไปคิดคีนก็หดถึงทีคิดทีนก็หดถึงทีเพราะมันยังตักไม่ได้ตัดไม่ได้สมาธิมันมีมันมีส่วนตรงนี้ใ น, นเรื่องของการเจราาิญปัญญาแต่การเีสมาธิไม่ได้หมายความว่าจะเกิดปัญญาขึ้นมาโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าพระพระปัญจวคีนี่มีสมาธิมาก่อนพรบสรุศพระพเจ้าได้ชานมาตั้งแต่ก่อนที่จะมงเห็นใต้ต้นโ แต่ไม่ตัดสินเพราะไม่รู้จักวิธีจเจริญปัญญาว่าเจริญอย่างไรตรงไหนจนตอนหลังท่านจะท่านถึงมาวิเคราะห์ดูและพิจารณาว่าต้นเจริญไัแล้วท่านถึงจะท่านถึงจะเกิดเป็ญญเนอย่างนมาแล้วต้องพิจารณาความไม่ เ, เที่ยงของสภาวะทรรมต่างๆต้องพิจารณาความทุก ข, ข, ข์ของสภาวะธรรมต่างพิจารณาอนัตตาข้าไม่มีรตร็ตัวของมันซ้อ การพิจารณาใทั้นนนงสามส่วนเวลาเนี่ยเป็นอัน น, นี้เป็นปัญญาเปนอันนี้ควานาดคที่จะตัดจิตเลยที่ทาให้จิดผิดพลังอยนะ่ถ้าไม่มีสมาธิก็ทำไม่ได้เพราะมันจะคิดไม่ได้คิดได้ครับเดียวมันไปแล้วอย่างที่ที่เมื่ทกี่ตองตื่นถามว่าวันๆมันคิดถึงความตายแล้วคิดถึงเก่คิดไม่ได้หรอที่เลยมันเด็นไปหมด แต่ถ้ามีสมาธิอี่านี้อยู่ค น, นเดียวใ น, ดดว น, นที่ได้ทั้งวันเลยถ้าที่แรกทั้งวันปั๊บมันก็จะตัดกิเลสได้เพราะกิเลสมันมีช่องที่จะเข้ามามาหลอกให้เราเป็นหลงกับอะไรได้เลยเรารู้ว่าไม่ว่าเราหลงกับอะไรก็ตามเดี๋ยวก็วต้องจงัดสันอยู่ดนะีไม่เสียเพราะยังเข้าใจนได้สมาธิแล้วไม่ได้จัดสัญญาอะไทํางนั้น ยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่เราเคยพิจารณาเมา่ก่อนนี่นะมันฝังอยู่ในจิตนะพอจิตสงบแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาอันนี้อีกหนึ่งทำให้เราเข้าใจเ <c oughs> ข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้แะปัดพัดได้ก่อนได้ในระดับที่เราเคยพิจารณาเมา่อก่นนีแต่ในส่วนที่เรายังไม่เคยพิจารณามา่ก่อนนี้มันจะยังมองไม่เห็่ถ้าเรายังไม่เคยพิจารณาอสุภะเมื่อก่อนนี่ยเราก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเราไปพิจารณาเมื่อก่อนย่าง พอจึสงบปภาภาาั๊บปัญญามันก็จะโ่งขึ้นมาให้เรา เ, าไไรเห็นได้นะครับแอนีบางทีผล่นี้เรียนอยู่การปฏิบัติแล้วมันมีความเห็นต่างในบ้านเหมือนว่าบางทีไปไปแล้วนเือนกคุณทางเมืนกับางกลุบบ่มบางโต ก, ท, กที่ปฏิบัติทางนี้อีกกลุ่มอย่างนี้แล้วมั น, ม, นมันเห็น <c oughs> าทางเทคนิคนี่อาจจะต่างกันได้แต่แต่วิชาการ ต้านทำไม่ได้เป็นสมาธินี้จิต ต, ต้องต้องมีอยู่กับอารมณ์ในอารมณ์นี mm ้ท hmm. ี่จะสงบแบบไหนก็ได้แบบเดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ต้องไปอยู่ในปา่าอยู่ในถ้ำอยู่ปากถ้ำ อ, อันนี้ก็แล้วแต่ mm hmm. ทเทคนิคของแต่ละคน mm hmm. แต่ยังไงก็ยังต้องมีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนี้อย่างต่ำเลยคือสมาธิ mm hmm. นี่คือคือสมาธิ ส่วนปัญญาก็เหมือนกันจะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องคิดให้มันลงไปที่ตจล่างนะครับแต่ถ้าไปพิจารณาว่าโอ้ยมันสวยมันงามมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันเสียมกับหลงไปละมันไม่มันไม่มันมันก็จะไม่เป็นปัญญาทางทางวิปัสสนาเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นใจล่างเป็นในจังที่เจาละจังถ้ามันเป็นปัญญา ก็รู้แลเป็นอสุรตะไม่เชว่อไม่งามมีช่นที่เป็นทางทางวิปัสสนาทางปัญญาแต่จะนั่งพิจารณาก็ได้จะนั่พิจารณาก็ได้จะนอนพิจารณาก็ได้ไม่สงสัยมีที่ใจที่เป็นตัวทำ ง, งานอิเลียบทของร่างกายนั่นเป็นเป็นเรื่องของร่างกายเนืคนที่นอนสองคนนี้อาจจะนอนไม่เหมือนกันคนหนึงนอนแล้วคิดเลยเกืดอชุ้งซ่านอนไม่แบบอีกคนหนึ่ง จะ่แต่ดทรัทุที่วทนเดียวนอนหลับสบายไม่คิดตามเกิดแก่เดียดตายที่จะนั่งย่รื่อยบรรลุเป็นาาเป็นท่าอาหาเป็นทาา่าอะย่างในขณะที่นอนขณะเามไม่ได้อยู่ที่ท่ามไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่ที่ใจท่านจร่างกบบาเรืบบ ยางก็มีที่หลบเมื <'C> ่อที่ม้ององจัดถึงองการเข้าเราต้งเข้าไข้ามว่าเ้ตกใจแตต้องมีสติคืออย่างสมัยเวลาเรานั่งเครื่อเหนื่อยเรามีสติอยู่การนั่งด้วยนหรือว่ามันหลงสติขาดไสแล้วมันเคยนี่มันแสดงว่ามันหลงมั้ม่หลกันแ้มันมันมันต้องอยู่กับอย่างได้อย่างอย่างต่อเนี่ยเราอยู่กับรหรือเปล่านห จะอยู ies, shows, ่กับพุทโธไปต่อเร่อกแอยู่กับอยู่บมาณานุสติไปอย่างต่อเนื่องพวกแบบได่อยู่กับผมผมผมผมผมผมคนคนคนเล็บเล็บเบันปันไปอย่ต่อร่อแบบไอยู่แบบไม่รู้อยู่กับอะไรอยู่แบบมอยไปอย่นั้นมันองไม่มีสติถ้าเป็นเรือมันต้องมีสมองมอสมอ มันมีธาตุสมองแล้วน้ำมันจะไหลมาอย่างไรมันก็ไม่ไหลไปตามน้ำแต่ถ้าใจไม่มีสมองไม่มีสติมันก็จะลอยไปเรื่อยๆบางทีวันหนึ่งแล้วเราอาจจะแบบใส่กระปุกน้ำคือบางทีได้อยู่กับลมหายใจบางทีก็ไม่ทุกโทรทอย่างนี้มันจะแบบเล่นเรื่องเวลาเดี๋ยวเรามาคิดเรื่องความตายเดี๋ยวมาคิดอย่างเะี้ค่ะทุก มันไม่ใช่เฉพาะแค่นี้เท้นเพาะแค่นี้มันก็น่าจะเป็นสมาธิได้แต่มันจะไปขึ้นด้านอื่นด้วยใช่ไหมขึ้นก็แวบตัวเองถ้ า, าถ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับวารณสติอยู่กับอารกรรมฐามเนี่ยมันถึงไม่จะเปลี่ยนไปเปล่มามันก็ยังสมบูได้อยู่แต่กัวกลัวจะไม่ได้อยู่แต่เฉพาะไอ้ที่พูดสามอย่างนีกลัวจะไม่อยู่กับเรื่องคนงนั้นอนนี้ ผสมผสมถ้าะส่ก็จะแปลว่ามันเลย ม, มันไม่ได้พอนานบา ง, งทีเวลาผมว่านั่งพอนานทีมันจะความคิดมันจะแว บ, บเป็นช่วงๆเหมือนสบระยะหนึ่งแว บ, บอีกแล้วกลับมาใหมเจตมันยังไม่ไม่ไมันยังไม่หีนานพอจิยังไม่มีกาลังมากพอที่จะเดิน <c oughs> ถ้าเป็นเชื่อกก็ขาดอยู่เรื่อยๆเชื่อกที่เราผูกสุญหายไว้เนี่ยพอมันกระตุกปั๊บก็ขานแล้วก็หาเชือกซื้นใหม่มาจับมันมาผูกอีกจะจับไว้สักระยะอนเดียมันก็มันก็ขาดแต่ถ้าเราได้เชือกเส้นใหญ่ๆเนี่ยออกไปมันกระตุกยังงก็ไม่ขาดถ้ติดแล้ว ก, ก็เป็นเหมือนเชือกนักตอนจะเราแล้วพัฒนาไปเชือกเส้นเล็กๆเหมือนเส้นด้ายเนี่ยมันก็ขาดงา่าย แเาเราก็จะหลับไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็จะเส้นใหญ่ขึ้นย่างขึ้นพ อ, อไปได้สุดจิตมันจะเดิ่มจัดใจนิดนึงนิดอากสติเองไม่ได้เพราะนั้นก็จะเป็นมหาสติไม่มีเวลาเอะอะไรหนุ่มตาทา่านรู้ขาันจิตไม่มเถอะเรื่องอะไรจิดที่อยู่ในธรรมสั่งของ ส, สติสมอจะให้มันคิดานาก็จะเป็นสัญญาคิดจดนานจะให้มันสงบให้อยู่ระรคุทัวลูกคุทเทนเดียวกัน อันนี้มันยังไปนู่นไปนี่สลับไปฉลับม า, ล ม, มาอยู่เรายังดึงมันไว้ไม่อีก่ถ้หน้าที่มันต้องให้มันอยู่เรื่องอย่างได้อย่างแต่วันนี้เอาเอาเอ า, เอาอย่างเดียววันนี้อันนี้จะอยู่กับลมก็มอยู่กับลมอย่างเดียวจะได้จะไ ด, จะได้จะได้ตัดปัญหาถูกหรอกเป็นการตั้สติลงนี้ด้ยวยหรือจะไม่เอาพุดโธไม่เอาอะไรให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาก็ได้เฝ้ารู้ร่างกายตลอดเฝ้านักทวน จะอะไรทมาเออกไปถ้าจำคำพูดบรรยากาศตูฐานอย่าคว่าก <laughs> e? oh ่อนทุ่งก่อนจะนอนนะคือกาั้งตั้ตั้งถึงแบบรจําแล้วเวลาหลับเวลานอนมันจเน่บระจําอทุกโตหรือแบบเป็นคํามประจําเองซึ่งแบบคูู้บาอาจารย์ท่านแนะนำให้ให้ให้ใส่วนอะค่ะแล้วก็คือพรจําใเลคือเวลานอนก็จะประจําไปมื่อาคิดถึงก็จะหลับไปเลยแต่แต่พอเรารู้สึกตัวสื่น จะเป็นช่วงช่วงช่วงระหว่างกันคืนหรือว่าช่วงเช้าก็แล้วแต่ที่แบบพอเราคิดตัวถึงขึ้นปลุกคำแรกเลเหมือนกันเพื่อตรวเกิมผัดตัวแรกที่ที่ที่ที่เหมือนว่าเรารู้รับรู้ความแะไว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเองก็คือคําบริกรรมที่เราอ่บริการก่อนก่อนก่อนจะหลับไปนะมันมันหมายถึงอะไรคะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่ามันมันโมเดิร์ตัสมันก็มันก็มาฟ้าคำที่เราใช้ ตอนที่ตอนที่เราจะหลับไปก็เท่านั้นเองอเห็นแต่ว่าถ้าเราสามารถทำํำลงต่อไปได้เรื่อยๆเถ้าว่าเราลุกขึ้นมาเพื่อไปทำงานกับการระลังหน้าล้างตาเราก็ยังบริกรรมต่อไปไเรื่อยๆมันก็จะดีมันก็จะเป็นการภาวนาไปเรื่อยๆโดยการภาวนานี่ไม่ได้จำกัดอยู่ว่าจะ ต, ต้องอยู่ในห้องพระนั่งนั่งขับสมาธิหลับตาอย่างเดียว การพัฒนาก็คือการบริกรรมให้ดีขึ้นการที่จะปล่อยให้ไปชิดเพื่อนแล้วจะบริกรรมต่อไปเื่ถ้ามันเป็นไปได้แล้วแล้วเราก็าจะมีหน้าที่ในระดับหนึ่งโดิด ไ, ไม่ไม่ไม่ไปพุ้นช้ากับเรื่องอะไรเลยเวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีเรามีความทคกียดกับเรื่องอะไรแล้วก็มีมึ่งกลับ ม, มาที่การบยกรรมนะมันก็จะดับความเครียดขึ้น ม, มาคาม่ะ นี่ก็เป็นในขัน้นขั้นปฏิบัติของสมาธิแต่มันจะไม่รวมถ้ามันรวมเมนะื่อไหร่นั้นมันถึงจ ะ, ะตัะดความเบื่อ ย, ย่ายในชีวิตของคารวาจะดูดายความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งต่างๆที่เราได้มาเพราะมันจะไม่เหมือนกับความที่ได้จากขณะจิตที่รวมหนึ่งขณะจิตที่รวมนี้เป็นเหมือนเทชและในอื่นยังเป็นเหมือนก้อนอิฐ ก, ก้อนโถก้อนตาเลยมันจะเห็นคุณค่าที่ต่างกัน เมื่อถึงตอนนั้นเน่ยมัตยาาสามารถที่จะตัก ด, ด้านอย่างเงี้ยแล้แหวนงเงินทองอะไรต่างๆสมบัติต่างๆขึ้นมาอยู่ด้วยวไม่ใช่เป็นที่ขึ้นของชาติฐานนั้นนี่ยอยากจะเข้าละอยากจะภาวนาอยากจะบำบัดไม่อยากจะไปเที่ยวละไม่อยากจะไปดูหลังฟังเพลงแต่ถ้ายังไม่ถึงตอนนั้นมันก็ยังวนอยู่อย่างเงี้ยเท้าถึงก็มากับพุทธโธบริกรรมนั่ง น, นไป มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนี่ก็ไม่มีเลยเดียวคนที่ไม่มีการปฏิกรรมเลยเวลาทุกก็ทุกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแรงของมันเองแต่นี่เรามีอย่งมีอุบายพอมันทุกมากๆเราได้สติแล้วก็เลื่มันกลับมาที่ทุกทโธพุกทโธพุกทโธทักทักเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เลยเรื่องที่เราทุกไปได้ทุกระดับไปได้แต่นันก็จะเดี๋ยวมันก็มีสิเลมาโผลมาหลอกให้เรต่างๆ อยากได้จริงนั้นอยากได้จริงนี้อยากไปทำจริงนะอย่ากไปทำนี้แล้วก็ไปทําตามอยู่แล้วพอทุกข์แล้วก็กลับมาแล้วก็มาแก้มันอีกมันก็จะวนไปอย่างเนี้ยกลับไปกลับมาเพราะมันยังไม่ได้เห็นสองจริงถ้ามันรวมลงเป็นหนึ่งเนี่ยมันถึงอันนี้ล่วทีนี้มันไม่เอาอีกแล้วเหมือนตอนนี้เรากำลังหาอย่างที่หลวงปู่มั่นสอนพวกชาวเขาให้หาพุทโธยังไม่เจอพุทโธ เจอแต่คำโบราณที่อยู่ในใจเราแต่นี้นไม่เจอพุโทโธจรทิงๆ ท, ท, ที่อยู่ในใจเราพุโทโธทุกผู้รู้ทับแต่ว่ารู้เ่วนี้ถ้าเจอตัวนี้แล้วทีนี้มันไม่เอาอยู่แล้วป<ม>ลอออ่อยเนี่ยถามีปัญญาก็อาจะขอยายากันเลยข อ, อยาด้ว ย, ด, ยดีนะผู ด, ด, ด, ด, ด, ดออกันแบบดีๆขอรลาะกันสำความปข้าใจใช่ก<ม>็ยกให้ทุกอย่างมีอะไรให้หมดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรคน คนที่ทุ่งยาเขาก็ไม่เสียใจหรอกภรด้าที่ยาพขาไม่ได้อย่างเดียวคือตัวเราเท่า <c oughs> นะั้นเองแต่วลูกก็ให้ทักสมบัติเจ้าของเงินทองอะไให้หมดเลยขอตัวขอตัวไปเป็นบุตรเท่านั้นแล้วห้องปู่ขาวที่ตั้งเสียเสียเมียตายท่านจะประกาศยกให้เมียให้ให้ให้เขาไปเลยให้เขอตัวท่านเป็นบุตร ตอนนั้นท่านยังไม่รู้ว่าท่านได้เจอทุตโทแล้ว อ, อย่างไรก็ไม่ทราแต่ท่านอาจจะมีปัญญามีคทุกข์เพาะชีวิตของกาลวันีมีทุกข์แล้วเจอกับเจอจังๆเลยภรรยาไปมีอะไรกับคนอื่นท่านเห็นทุกข์แต่มหัวใจเพาะตองจะคิดฆ่าเขาด้วยคำพิษแต่นีท่านมีธรรมมีมีมูญเก่าอยู่มีสติเขาไม่เห็นว่าการฆ่าเป็นบาป น, นี่สองของคานที่ท่านเคยทำมาท่าน ก, น, นก็ท่านมีศีลมีใจใช่ไหมท่านก็เลยให้ทานต่อไปเลยยกเมียให้เขาไปเลยแล้วขอไปบวชแล้วก็ได้กายเป็นครูบาอาจารย์ที่เราถามบ้านมทชานทั้งวันเนี่ยยังต้องให้ให้เจอพุทโธให้ได้ถ้าไม่เจอพุทโธตอนนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ก้าวเข้าเข้าสู่ขั้น ก้ามีปัชนาเข้าสียงตั้นภาวานาที่แท้จริงกําลังภาวานาอยู่แต่ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอของที่แท้จริการเล ย, ยมันง่ายนะสำหรับบางคนนั่งพ อ, อมันเจ็บมันปดทดทวดเขทรทุกโ ท, ท, ทรทุกโทรไปเทาเ่าไรมันมันมุกลงไปเลยเจ็บปวดหายไปเลยนิ่งสบายถึงแหมร่างกายยังอยู่แต่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรใจก็ไม่ไ ด, ด, าาดิ้นรนแปลกแปลกสบายนั่งอยู่เฉย เรานั่งเลยเด็กปวดแสบปวดแสบอยากเป็ น, นปโรคไหมโตัวโรคตัวโรคตัวมนได้ให้คถ้าอยากก็อยากให้มันขายอากให้แห้งเพอยู่กับทีกคนอยู่ในทุย่ตเดียวันวเวลาไปอยู่ที่กลัวแล้วพอที่มีอะไรความตัวเข้ามาก็เป็นโตัวอยู่เดี๋ยวจตวนะ น, น, นั่งไปหาที่กลัวที่เสียเอามันอยู่ที่สบายๆแล้วมันที่เก็บต่อหนาน คนไทยมันก็ไม่คิดถึงทุกทนแต่พอมันไม่เจอ เ, เหตุการที่จะเป็นจะตายเนี่ยทุกทวงตอนนี้นั่งอยู่บนบลูเดินเนี่ยเวลาขึ้น่องบนินจะต เ, เ, เ, เนี่ย ไ, ไม่คิดถึงนรืองอะไรอนะ่ะส่วนบอลการวุ่นไม่หมดเลยนะฮนะอนยะ่า <c> ง <oughs> นะั้ถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในที่เปียกๆที่น่ากลัวตายแล้วต้องไม่ถึงความตายอยางนี้เราจะต้องตายเมื่อไหร่ก็ไม่รูอาจจะตายเดือนนี้ก็ได้ ถ้าคิดแต่ไมแล้วมันก็อาจจะทาให้เราพยันทุกทัวร์นการใช้แล้วเรื่องสวดมนต์ที่เราจะติดต้องมีสวดให้ได้ก็เป็นวิธีภาวนาเป็นอุบายของการภาวนาเพ่แทนถ้าเราบรยกรรพทุกทัวไม่ได้เราก็สวดมนต์ไปแทนแต่ถ้าเราพุกทัวเป็นน้ำก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ วี่าวัดตาเราไม่มีจากวัดเช้าวัดที่เย็นเลยภาวนาไม่ได้เรียนจะาวนาแบบไหนก็แล้วแต่จะสวนต์นไปก่อนก็ได้บางทีคิดมันกุ้งข้าวมากๆพุโทโธไม่อยู่ก็สวดมนต์ไปก่อนเราไม่ต้องสวดยาว ก, ก็ได้เอาบทได้บทหนึ่งสั้นๆก็ได้แล้วสวดตั้งไปตั้นมาคือกรรมฐานสามมาเนี่ยสักร้อยรอบก็ได้ ไม่้อไปคิดเรื่องอะไรพอเสื่อแล้วก็รสึกว่าเอมันเาัสบาลอยากจะหยุดส่วนเพื่อองาชีพททโธคำนไปไม่ต้องไม่อยากพุโทโก็ดูลงหายใจสอคนไปเรืยที่ิดทิดอ่าก็ดูลงหายใจหมดที่ไรจะหาอ่าก็ไม่ต้องส่วนไม่ต้องเสื่อมไม่จำเป็นส่วนนี้จะเป็นใบเป็นเป็นี่คือว่าพ่อนาแบบเอตอนมันพุทโธ ในการเดินหายใจช่องกอดในการพิจารณาเดี๋ยวเราต่ารขาที่สองต้องการในพิจารเกิดแช่เจ็บตาอานิจังพิจารณาละกนอันนี annual, ้เขเรียกว่าแบบนี้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิพิจารณาปัญญาด้วยปัญญาเดียด้วยอานิจังพิจรณาลกันอิจังเาเกิดมาเวเาต้องแก้ต้สงเจ็บต้องการเดียวความนั้นก็ต้องแก้ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวคนนี้ก็ต้องแก้ต้องเจต้องาร ตอนนมันก็จะหดเข้ามาเข้ามาอันนแล้วก็หมดไปอบายอุบายการทาจิตที่สะดวมัน ม, มหลายอย่างท่านอยางนี้ก็มาถามจิตศิษยนิจจะหลุดของแต่บระคนไม่หลุดบางคนก็ไม่ได้คิดพิจารณาความตายไม่ได้ครัวภาวนานไม่ได้เย่างพราะมันมีจิตหลุดหัวห้าเนี่นยคจตศ์นีจะถนัถดทำเรื่องความกายอบของจิง ถ้าสัตยาสริตนี้ชอบพุโทโธชอบอพุโทโธทำพุทโธทำอยู่สมอถ้ามโมหะสริตนีจะชอบพญางนติบิถ้าโทสะสจิก็ชอบหายเมตต า, าเวลาโสนี้ต้องหายเมตต า, า, ท, าทําเกิดถ้าราคะสริตก็ต้องใช้อสุา มัน้นเห็นว่าจิตของเราในขณะนั้นมันอยู่ในในในนัดเจริตไหนเราดีทั้งห้าเจริตเนี่ยเวลาเจริตไหนมันจะแรงกวบากันในเวลาใดตัวไหนจะเป็นที่เอกตอนนั้นเราก็ต้อําำกรรฐานที่ถูกมันจะโรคภายไข้เจ็บที่มีในร่างกายเราเนี่ยมีทั้งปวดหัวมีทั้งปวดท้องมันต้องใช้ยาให้ถูกถู่เวลาระวังภาวนาเนี่ยเราต้องดูว่ากรรมกรรมฐานที่ไหนมันถึงของเรา มราเละอกได้เปลี่ย น, น, นได้คือเปียนได้ใช่ไหมแล้วเราเรือกแล้วต้องอาวันนั้นไปในขณะนั้นไม่จะ้ทำนานไมได้สองคำแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไม่ได้แล้วกิยาหรือว่าวันนี้ปดท้องก็ต้องกินยากดท้องให้ทําหาวดท้องไปเลยไม่ได้กินไปได้ลึกๆหนึ่งแล้วเดี๋ยวเคเปลี่ยนยาแก้หวัดแทนเนี่ยมันก็ไม่หา ความสดมันก็คืเหมือนนมีส่วนล้วรู้สึกถึงเวลามันอยากส่วนอันนี้มันเป็นความเคยชินอะไรดยมันก็เป็นมันก็มันก็เป็นเรื่องน้ำทำให้เราถ้าเราอยากส่วนแล้วเราส่วนแล้วเราไม่พลาดกันันก็เหมือนกับว่าถึงเวลาที่เราอยากจะกินข้าว <c oughs> เราเคยชอบกินอาหารชนิดไหนเราชอบจะติดเนือาหารชนิดไหนอันนี้ก็เหมือนกัน เมื <de leg ante> <S S outgoing, ่อจ so ิตเราอยากจะต้องการความสงบก็อยากจะส่งเนขึ้นมาแ้วเวลาเวลาสวยแล้วมันเย็นสบายมันก็สิดแ้วมันก็ยังเป็นนิสัยด้วยถ้าเราเคยทำอะไรแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยถ้าเป็นวิสัยที่ดีมันก็เป็นบาลีถ้าเป็นวิสัยที่ไม่ดีก็เป็นลาบมีการการสมบมรดกที่เป็นยัติที่ดีนิสัยทีเป็นเป็นการภาวนาเป็น ก็เหมือ น, นกับเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการทางิจิตนสมัส่วนที่บาง ท, ท, ทีก็บอกว่าส่วนมลบทนี้มีอันสงแบบนี้แบบนั้นเือนวิจิตมันเป็นอุบายของสมาินะครับนอกจากเราเข้าใจความมายวามหมายของวัตสูแต่ล้วก็ส่วนีมเหมือนกันสำนักจักท่านกรจาเรื่รองเรื่องมากแบบ คณะรักคณะศึกษาแสดงเรื่องไทยเรื่องอนุตางถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วก็จะได้ความรู้ชนิดต่างกันหนั้สือที่เราอ่านหนังสือกฎหมายก็จะได้ความรู้ทางด้านกฎหมายหนังสือทางการค้าขายก็จะได้ความรู้ทางด้านการค้าขายบทเรียนรำส่วนนี้ก็เป็นคำสอนของผู้เรื่องเขื่อนมีท่านสอนหลากหลายความรู้ด้วยแยะ แล้วแต่ว่าท่านสอนใครสอนพระท่านกสอนตาวโยระดับหนึ่งสอนจาราว่าท่านกสอนโนระดับหนึ่ถ้าเราเข้าใจคำหมายของสิ่งที่เราอ่านเราก็จะได้ปัญญาได้ความเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจคำหมายเราก็จะได้สมาธิถ้าเราใจเราจดจ่อเร็วการทางสวดองเร็วแม่แต่พิดเรืล็กน้อยจิตมันก็จะเริ่มิตมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มันก็ไม่คงต้านมันก็จะสวดไป บางทีด uh, th right. ูครูบาอาจารย์บางคนท่านก็เหมือนแบบได้ส่วนของท่านเหมือนแตบางทีท่านก็บอกว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรจะบทนี้นะแล้วก็อะไรมราจะช่วยอันเนี้ยมันเงินอ็เป็นอุบายเพื่ให้เราคือท่านสอนคนหลายระดับเลยค่นที่ไม่รเรื่องอะรทานก็สอนแบบนี้แหเป็นการย์สอนแล้วเราเรียนรับสิตใจเวลากั่งสทนจิตใจตัวเอง ตอนยาวเขาก็จานติดจังไม่ได้จะอ่านแบบสั้นๆแต่อย่างหลวงู่งมั่นสอนสอนชาวเขาให้พุทโธพุทโธอยนีก เ, ก เ, นเราจะให้ท่านเดินสมชมคำถามว่าท่านทำอะไรท่านวาหาพุทโธทถ้าทำหายยังไงวะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนี่ก็เป็่อุบายของนักปรา ด, ดญ์สอนเด็กนะหลวงอยากสอนเด็กนะ จะลองเดี๋ยวใชกินยาดิบางทีก็ต้องทำอะไรเพราะยานี่หวานอร่อยนะกินแล้วจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันก็จะเกิดชั้นท่าระยะอยากจะพูดนห้มากที้ในในหนังสูอส่วนบนเนี่ยของบางเล่มก็จะมีอย่างบางวัตถุส่วนว่าโอ้ยแรหนึ่งคําหรือสองคํำสามค่ำสี่ค่ำ้าคซึ่งมันจะแตกต่างกันไป เราเราทำไมต้องให้มันมีเยอะถ้ามีเยอะนะจะสวดทีเดียวเ้อากันหมดวันเดียวก็ไม่ไหวจะเลยเะเรียกมันอกไนเพื่อจะได้รักษาษาบทสวนไว้สืบท่อต่อไปในลูกหลานต่อไปทำไมเวลาไม่มีหนังสือถ้าถ้านีจะต้องสวนถ้าใจปเดียชน์แหนกันสวดกลุ่มนี้ก็สวดพระวินัยกลุ่มนี้ก็สวดพระพระสวดกลุ่มนี้ก็สวดพาะพิธ ก็จะได้สืบทอดคําสอนของพระเจ้าไม่ให้สูญหายไปสมาธนี้คนเราบที่เขียนมากหรือไม่ีหนังสือรับก็อาจจะไม่สวดถ้าสวดกันน้อยแต่คนที่สว่วนเนี่มจะได้นิสสังค์คือจิตใจจะได้สมาธิน้อจะได้สืบทอดคําสอนของพระเจ้าให้ให้ให้ไปสู่รูปหนังคนรุ่นหลังรุ่นหลังต่ อ, อไปคือในในบทสวดคือมันจะมีความหมายในทางธรรมต้<า><า>อ ง, ง, องไปทำตามพระวจนะ เป็นําสอนหนึ่งนั้นแ่ะที่จำเรื่องในพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีแล้วก็มาตปลเปนภาษาไทยแต่ก็ยังมีเยอะมากนะครับที่ยังยังมีการแปลซึ่งผมว่ามีกประการหมดแล้วทุกบทเลยนะพระไตรปิฎกนี้เขาแปลเป็นภาษาไทยแปลมาไม่รู้กี่รอบแล้วแ่มื่ก้ว่เกิดน้ำ็มตู้เหินนเ็มเ้าเร่งเนี่ย ก็เออกกสียงนี้ก็เล่นอยู่แต่ <ๆ S 1> แต่ความจริงก็ไม่ต้องอ่านทั้งเล่นเพราะพระเจ้าจสงสารเลยว่าสมสารของพระพุทธองนั้นจะมีมากมายกากองเหมือนกับน้าในมหาสมุทรที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแต่น้ำในมหาสมุทรนี่ไปต่างดวงนั้นก็มีรักษเหมือนกันมันก็มีเค็มเหมือนกันคำสอนพระเจ้าจอา่านดรงนันก็สามวิธีดับทุกท้งนนั้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ต้องอ่านทั้งเล่นแอกไม่ต้องอา่านทั้งทั้งพระไตรปิฎก ต่างก็ให้จัดประเด็นได้ว่าดับทุกอย่างยังไงนะก็ไม่มากมี่สองสามพิสูจนนี้ก็พอพิสูจน์เดียวก็พอแล้วมาจิตตะมาเอาสิปัฏฐานสูตรนี้อาจีพนี้เข้าใจภาษาหน้าปฏิบัติลดความจับจินใจแต่ถ้าอ่านในหลายสูตรนั้นมันก็จะช่วยเสริมว่ารายละเอียดมันต่างกันแสดงสูตรนี้จะแสดงไม่ครบถ้วนเราไปขยายความอีกอีกสูตรหนึ่งไปขยายความอีกสูตนนึ่งแล้วมันมาผสมกัน มันก็มีไม่มากมักสี่ห้าสิบแต่ถ้าดีที่สุดก็คือไม่ต้องอ่านเลยก็ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นตู้าวไตจุตดดเคลื่อนที่อยกับท่านฟังเท่กับท่านเนี้ยพอละ<ม>ง่ายกว่าไ<ม>ปก่อนไ ย, ย<ม>อ่านตะไคร้ดดกไป่านอ่านแล้ลงงงงองืีก็หลงจับสอนทงท่านสอนทำน<ม>ี้ทเนี้ท่าสอนทานี้ก็ทำไปพิยารณาเนี้ยที่น่ารัก ให้ังนะครับว่าเราเป็นคนดูชกันเอวามีว่าเอกปัญญาเศรษฐานามิตาคติปิจิตตังปิจิตตังเป็นั้นปิจิตตัวัสัจโตตัศนุรัยภูตังขะตั้ จัมโนกันยาราสุยาตามานิสราสุยาตาตัพติวิวัสันตุชาภโรโคณิสัตมาเตปวาตวันเทรายุสุทิตาโยภวะติวะเสนติวิชามิจังมิจาปชะยิโนเจตาโรธรรมวัสสิภารวันโยภูขามอะลา อาตุ